พระอทมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นทางทางเดินเหมือนถนนถ้าไม่มีถนนรถก็วิ่งไม่ได้ต้องทำถนนก่อนรถถึงจะวิ่งได้พระพุทธเจ้าก็ไปเหมือนคนทำถนนทำให้พวกเรามีทางที่จะวิ่งไปสู่ทิศทางที่เราต้องการไปกันได้ ก่อนจะมีพระพุทธเจ้านี้ไม่มีทางไม่มีถนนเป็นป่าจะหาทางออกจากป่าก็ไม่รู้ไปทางไหนแต่พอมีคนมาตัดถนนทำทางให้ออเดินออกจากป่าได้เราก็ไม่ต้องหลงอยู่ในป่าเราก็จะไปออกจากป่าได้ใจของพวกเราตอนที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนานี่ ก็เหมือนใจที่หลงอยู่ในป่าหาทางออกไม่ได้เหมือนไปเที่ยวป่าแล้วก็หลงป่าจะกลับบ้านก็หาทางไม่เจอก็ต้องเดินไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งโชคดีไปเจอถนนเข้าก็จะรู้ว่าอ๋อมีถนนก็จะได้เดินไปตามถนนเพราะถนนมันจะต้องนําเราไปสู่บ้านเมืองสู่ นำเราออกไปจากป่าคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนถนนถ้าเราหลงอยู่ในป่าเราก็ต้องเดินไปเรื่อยๆเดินไปจนกว่าจะเจอถนนถ้าเจอถนนเราก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านเพราะมีถนนถนนก็จะพาเราออกไปสู่บ้านเมืองต่อไปถ้าเรา ไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาไม่ได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับเวลาที่เราหลงอยู่ในป่าเรายังไม่เจอถนนหนทางไม่เจอก็ต้องเดินไปเรื่อยๆแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่โชคถ้าเดินไปเจอถนนเมื่อไหร่ก็เือว่าโชคดีเือว่ามีโอกาสได้ออกจากป่า แต่ถ้าเราเจอถนนแล้วแทนที่จะเดินไปตามถนนกับไม่เดินกับเดินเข้าไปในป่าต่อเดินข้ามถนนไปแล้วก็ไม่สนใจกับถนนเดินทำหาทางในป่าเองต่อไปก็ยังจะออกจากป่าไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเราได้มาเจอถนนได้มาเจอทางที่พาให้เราออกจาก กองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วแต่ถ้าเราไม่ไปเดินเดินไปตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทำไว้ให้เราเดินเราก็ยังจะออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ได้ถึงแม้เราจะได้มาเจอถนนแต่เราไม่เดินบนถนนเรายังเดินในเรายังเดินไปในป่าต่อไปเราก็จะออกจากป่าไปไม่ได้ ใจของพวกเราก็เหมือนอยู่ในป่าป่านี้ก็คือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดเราอยู่ในป่าอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายเหมือนอยู่ในป่าไม่มีความสุขเวลาหลงอยู่ในป่านี้หาความสุขไม่ได้มีแต่ภัยอันตรายรอบด้านอาหารการกินก็ไม่สะดวก แต่ถ้าได้ออกจากป่าได้กลับเข้าบ้านเข้าเมืองก็จะปลอดภัยจะมีอาหารการกินอยู่อย่างสุขอย่างสบายใจของพวกเราตอนนี้ก็ติดอยู่ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดในสามภพในกามภพในรูปภพและในอรูปภพเราก็เวียนว่ายอยู่อย่างนี้ ตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายาเวลาตายก็ไปอยู่ในพบพบดีบ้างพบไม่ดีบ้างถ้าไปอยู่ในอบายก็เป็นพบที่ไม่ดีมีความทุกข์มีความเสื่อมมากกว่าความสุขความเจริญเช่นพบของสัตว์เดรัจฉานของเปรตของอสูรกายของนรกอบายนี้อยู่ในกามะพบ ผู้ที่เสพการนี้จะต้องติดอยู่ในในการมาพบถ้าเสพการด้วยการทําบาปก็จะไปเกิดในอบายเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปถ้าเสพการโดยไม่การทําโดยไม่ได้ทําบาปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเกิดเป็นมนุษย์หรือถ้าได้ทําบุญก็เกิดเป็นเทวดาถ้าไม่ได้ทําบาปแล้ว ได้ทำบุญอีตายไปก็จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นภพที่มีความสุขมากกว่าความทุกภพที่ของมนุษย์นี่เป็นภพที่มีความสุขความทุกขประมาณห้าสิบห้าสิบภพของมนุษย์นี่สุขห้าสิบทุกห้าสิบภพของเทวดานี่สุขแปดสิบเก้าสิบทุกสิอร์เซ์ ส่วนทุกข์ของอบายนี้ส่วนพบของอบายนี่ทุกเก้าสิบเปอร์ซสุขสิบเอร์ซนอันนี้เป็นการเวียนว่ายตายเกิดของใจของพวกเราที่ไม่รู้ทางออกจากกองกองทุกข์หรือโลกของการเวียนว่ายตายเกิดนี้ซึ่งมีทางที่จะพาให้ออกไปได้ไม่ต้องติดอยู่ใน พบของการเวียนว่ายตายเกิดนี่สามารถไปอยู่ที่ไม่มีทุกข์มีแต่ความสุขที่ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายทางนี้นานๆาจะมีคนพบสักครั้งหนึ่งคนที่พบคนแรกด้วยตนเองก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าคนที่พบทางสู่การหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่ จะเรียกตนเองว่าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเอามาสั่งสอนคนอื่นก็จะเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่สั่งสอนก็จะเป็นพระประเจกับพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้มีสองแบบแบบที่สั่งสอนกับแบบที่ไม่สั่งสอนบางองค์พบทางแล้วก็ไม่สอนใคร ถ้าสั่งสอนก็จะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่เราจะเรียกพระองค์ว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่พบทางออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วไม่เก็บทางนี้ไว้เอามาเล่ามาบอกให้คนอื่นได้รู้จัก เพื่อคนอื่นจะได้เดินออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยพอพระพุทธเจ้าพบทางแล้วก็มามาสอนผู้อื่นต่อพอสอนก็มีคนฟังคนฟังพอฟังแล้วว่าทางเดินทางออกไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไปทางไหนก็เดินตามที่พระพุทธเจ้าสอนที่บอกที่ทรงสอนที่ทรงบอก เขาก็ออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้บุคคนเหล่านี้ก็กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันตสาวกเป็นพระอรหันตเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็คือพระอรหันตที่เป็นพระอรหันต์ด้วยตนเอง เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดด้วยตนเองก็เรียกว่าเป็นพระอาหารหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เดินก็กลายเป็นพระอาหารหันตาสาวกผู้นี้จะไม่เรียกตนเองว่าเป็นพระอาหารหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะไม่ได้พบทางออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดด้วยตนเองออกจากโลกการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะมีคนบอกทางคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มีสองรูปสองแบบพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้หลุดพ้นจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตนเองเรียกว่าพาระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ที่หลุดพ้นจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเรียกว่าพระอาหารตัสสาวกสาวกแปล ว, ว่าลูกศิษย์หรือนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ฟังผู้ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามคำสอนนั้น ก็จะสามารถหลุดออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาเริ่มต้นที่พระพุทธเจ้าพอมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาองค์ที่สองที่ตามมาก็คือพระธรรมคาสอนถ้าพระพุทธเจ้าไม่ประกาศพระธรรมคาสอนไม่สอนใครก็จะไม่มีพระธรรมคาสอน ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนก็จะไม่มีพระอาหารหันต์ตัวกก็จะมีมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวพอพระพุทธเจ้าตายไปก็จบไปไม่มีพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ถึงจะสามารถจเจริญเติบโตได้อยู่ไปได้เป็นเวลาอันยาวนาน อย่างพระพุทธศาสนาของยุคปัจจุบันนี้ของพระพุทธเจ้าองค์นี้พระองค์ก็ทรงพยากรณ์ว่าจะอยู่ได้ประมาณห้าพันปีแต่สมมติว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนใครพอได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็อยู่เฉยๆขี้เกียจสอนพอตายไปก็ไม่มีใครไม่มีพระพุทธศาสนาตามมา เพราะไม่มีไม่มีคำสอนไม่มีพระอรหานตสาวกที่จะเอาคาสอนมาอธิบายมามาแจ้งมาแจงมามาสั่งมาสอนผู้อื่นต่อไปได้พระพุทธศาสนาก็จะไม่มีถ้าเป็นถ้าเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีพระพุทธศาสนามีพระมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว พอพระพุทธเจ้าองค์นั้นตายไปก็จบไม่มีใครได้รับประโยชน์จากพระปัเจกับพะพุทธเจ้าพระปฏิเจกับพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ช่วยตัวเองได้เพียงองค์เดียวช่วยคนอื่นไม่ได้ไม่มีความสามารถที่จะช่วยคนอื่นไม่มีความสามารถที่จะสั่งสอนผู้อื่นได้แต่สำหรับพระพุทธเจ้าของเราที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ เวลาออกวดก็ชื่อสัมมาณโคโดมพอตัดสละก็เป็นพระอนันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เรียกพระองค์เองว่าตถาคตเวลาพระองค์กล่าวถึงพระองค์พระองค์จะมักจะพูดว่าเราตถาคตเป็นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรม พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระพุทธเจ้ากับพระธรรมคําสอนนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นตัวแทนกันได้มีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรมคําสอนก็เหมือนกันได้เจอพระพุทธเจ้าหรือได้เจอพระธรรมคําสอนก็ถือว่าเหมือนกันเพราะว่าพระธรรมคําสอนก็เป็นคําสอนที่เราจะได้ยินได้ฟังถ้าเราเจอพระพุทธเจ้า สมมติว่าตอนนี้ถ้า พ, พระพุทธเจ้ายัางไม่ได้ตายยังอยู่ถ้าเราไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสอนธรรมก็จะพูดธรรมะให้เราฟังแต่ตอนนี้เราไม่มีพระพุทธเจ้าแต่เรามีคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนแล้วมีการจดบันทึกกันไว้มีการจดจำแล้วก็บันทึกกันเป็นพระไตรปิฎกขึ้นมา ถ้าเราอยากจะพบกับพระพุทธเจ้าเราไม่ต้องไปอินเดียถ้าเราอ่านหนังสือเป็นเราไปที่ห้องสมุดหรือสมัยนี้เรามีมือถือเราสามารถสั่งให้มือถืออแสดงพระธรรมคำสอนให้เราได้เลยเขียนเข้าไปใน Google เนี่ยบอกว่าพระธรรมคําสอนมันก็จะโผล่ขึ้นมาเี่ยเราไม่ต้องเสียงเงินเดินทางไปอินเดียใ ห, ให้เหนื่อยยาก เสียงินเสียทองแ้วยังต้องไปเสี่ยงภัยกับการขึ้นเครื่องบินอีกถ้าอยากจะเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปอินเดียก็ได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตใครเห็นพระพุทธใครเห็นธรรมะใครได้อ่านหนังสือธรรมะก็ถือว่าได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วเพราะเวลาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะพูดธรรมะให้เราฟัง ธรรมะที่มีการบันทึกอยู่นี่แต่สมัยก่อนนั้นคนอ่านหนังสือกันไม่ค่อยเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าถ้าอ่านหนังสือไม่เป็นก็ไปดูที่เกิดเราก็ได้ถ้าสงสัยว่าเรามีจริงหรือไม่ก็ไปดูที่เกิดไปดูที่เราตัดสั้ไปดูที่เราแสดงธรรมครัง้งแรกไปดูที่เราตายก็ได้ ที่เรียกว่าสังเวชนียสถานสี่สถานที่ประสูติที่ตัดสรุ้ที่แสดงพระธรรมคำสอนข้างแรกและที่เสด็จดับขันธปรินิพานจะมีสถานที่ที่ยืนยันว่าครั้งหนึ่งมีพระพุทธเจ้ามาเกิดมาตัดสรุ้มาแสดงธรรมและมาตายจากโลกนี้ไปอันนี้สาหรับคนที่ ไม่ไม่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่ยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจถ้าได้ไปที่สังเวชนียสถานสีสถานถานี้ก็จะทำให้มีความมั่นใจว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงเราจะมีที่เขามีคนยืนยันตามตามหลักของประวัติศาสตร์มีการบันทึกมีการอะไรไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ เจ้าชายสิทัตถะได้มาประสูตรที่เมืองนี้เป็นที่พระสัมมณโคโดมได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่โคนต้นโพในป่าแห่งนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่พระบรรจรวาคีและในที่เมืองนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าได้จากโลกนี้ไปอันนี้ถ้าคนไม่ ไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือธรรมะได้ก็ต้องไปตามสถานที่เหล่านี้เพื่อจะได้รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าถ้าไปแล้วก็จะมีความเชื่อมีศรัทธาว่ามีพระพุทธเจ้าจริงเมื่อมีศรัทธามีความเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นคำสอนที่จริง ก็จะเชื่อเวลาใครเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแสดงเราไมก่อนนี้คนอ่าหนังสือไม่ได้จึงต้องอาศัยการฟังธรรมจากพระทุกวันพระนี่ก่อนที่อยากจะฟังธรรมก็จะไปวัดกันไปวัดไปวัดแล้วก็จะได้ฟังเทศฟังธรรมฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอะไร เพื่อที่เราจะได้หลุดออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เหมือนกับได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเพราะพระที่เอาคำสอนก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนไม่ได้เอาคำสอนของตอนเองตอนเองไม่มีความรู้ที่จะเอาความรู้นี้มาสอนได้ความรู้เกี่ยวกับการออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีคนเดียวเท่านั้นที่รู้ คนอื่นเอามาสอนนี่ไม่ได้สอนเพราะตนเองรู้สอนเพราะว่าได้เรียนจากคนที่รู้ไปเรียนจากพพระพุทธเจ้าเรียนจากพ่อธรรมคำสอนแล้วก็เอาคําสอนนี้มาสอนให้แก่ผู้อื่นสมัยก่อนไม่มีการเรียนหนังสือกันคนส่วนใหญ่เรียนหนังสือไม่ไม่มีโรงเรียนให้เรียนเลยอ่านออกเขียนได้ไม่เป็นเลยต้องอาศัยคนที่ อ่านออกเขียนได้คือพระนี่พระนี่จะอาศัยการเรียนการศึกษาแต่พระบางรูปก็อ่านไม่ได้เหมือนกันอาศัยการฟังเหมือนกันการฟังจากพระรูปอื่นเรียนจากพระรูปอื่นแล้วก็จดจําเอาไว้แล้วก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติก็พอได้ผลก็จะจําได้จะเข้าใจคําสอนจะจะไม่ลืมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็สามารถเอามาสอนผู้อื่นต่อได้อันนี่คือพระธรรมคำสอนกับสถานสังเวชนียสถานสีนที่มีเป้าหมายอันเดียวกันก็คือสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นให้เกิดศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าเกิดศรัทธาในพระธรรมคำสอนพอเรามีศรัทธาในตัวของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมคำสอน มันก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์เพราะเราจะได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะเราพอเราได้ฟังธรรมหรือได้อ่านหนังสือธรรมะเราจะได้รู้ว่าเรานี้กำลังอยู่ที่ไหนกันเรากำลังอยู่ที่มีความสุขหรืออยู่ในที่ที่มีแต่ความทุกข์กันถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเราจะหลงคิดว่าเราอยู่ในโลกที่มีแต่ความสุขกัน แต่พอเจอความทุกข์ก็ร้องห่มร้องไห้กันเป็นวันเป็นคืนแต่ถ้าได้อ่านได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ในโลกของความทุกข์กันเนี่ยเดี๋ยวเราอีกไม่นานก็ต้องร้องห่ม m ร้องไห้กันเคยร้องมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งก็ยังจะต้องร้องต่อไปอีกร้องไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดตายไปก็กลับมาเกิดร้องใหม่กลับมาร้องไห้ใหม่ พราเราไม่รู้เรื่องของเราว่าเราเป็นอะไรเราไม่รู้ว่าเรามาเกิดได้อย่างไรแล้วตายไปเราจะไปไหนต่อเราก็ไม่รู้ถ้าเราไม่ได้มาเรียนไม่ได้มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไม่รู้ว่าเรากำลังเวียนว่ายตายเกิดกัน <Yeah. S 1> เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวตายไปนี่เรากำลังจะไปอบายหรือไปสวรรค์กัน แต่ถ้าเรามาเวียนว่าถ้าเรามาเรียนมาฟังคำสอนแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่แหละวั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยเรามีการทำบุญทำบาปหรือทำไม่ไม่ทำบุญไม่ทำบาปกันอยู่ตลอดเวลาบางเวลาก็ทำบาปพอใครถามว่าไปไหนก็ป้าวไม่ได้ไปกินข้าวหรื อ, อยังยังไม่ได้กินหรือกินแล้วทั้งๆ้ ท, งที่ยังไม่กินก็เกรงใจเขาก็บอกกินแล้ว นี่ก็พูดโกหกแนละ้วทำบาปแนละ้วหรือเห็นของใครชอบก็หยิบไปเดินผ่านบ้านใครมาม่วนหล่นลงมาขอสักลูกก็หยิบไปอันนี้ก็เรียกว่าทำบาปนะโดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่รู้ว่าตัวเองกาลังทาบาปและไม่รู้ว่าทำบาปนี้จะพาให้ไปไหนต่อไปก็ไม่รู้ แต่ถ้ามาเรียนมาฟังคําสอนของพุทธเจ้าแล้วเราจะรู้ว่าเราเนี่ยกําลังกําลังจะไปไหนกันด้วยการกระทําของเราพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าทําบาปก็จะไปอบายกันไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรยบ้างเป็นนสุ ล, ลกายบ้างไปตกนรกบ้างถ้าทําบุญก็จะไปสวรรค์กันไปสวรรค์ชั้นต่างๆมี ต้องยี่สิบชั้นต้องร้อยสิบห้าชั้นกันไปเลยสวรรค์มีสิบหกชั้นเหนื่อยเนี่ยมีดาวดึงมีอะไรต่างๆถ้าอยากจะรู้ว่ามีสวรรค์กี่ชั้นก็เนี่ยมีมือถือใส่เข้าไปได้เลยเขียนคําว่าสวรรค์กี่ชั้นแค่นี้ถามมีสวรรค์กี่ชั้นเนี่ยลองกดดูด้วยเนี่ยโผล่ขึ้นมาเลย สมัยนี้พวกเรามีโชควาสนาที่มีพระธรรมคำสอนอยู่ในกรรมมือแล้วแต่แทนที่จะเอามาใช้ให้ประโยชน์กับไม่สนใจเลยงวัวแต่ไปกฎหารองเท้าหากระเป๋าหาของไม่มีคุณค่าราคาของที่มีราคายิ่งกับเพชรนินจินดากับไม่หากันเนี่ยพระรัตนาตายเนี่ยรัตนะแปลว่าเพชรเขานี่ไหมพระรัตน า, วว า, าตนาตยเนี่ยเพชรสาม เพชรสามก้อนมีราคาประเสริฐมีคุณค่ามากกว่าเพชร ท, ที่มีอยู่ในโลกนี้เพชรอยู่ในโลกนี้ใหญ่เท่ากามือก็มีคุณค่าสู้เพชรของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้แต่เราไม่เข้ากดหาเลยไม่หาพระพุทธเลย้ลองกดใส่้องเขียนเข้าไปเสียว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือพระรัตนตาตรัยโผล่ขึ้นมาเลยเพชรเม็ดงามสามเพชรสามเม็ด แล้ว เ, เป็นเพชรที่ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องใช้เงินซื้อด้วยใช้กายวาจาใจนี้ท่นเองน้อมกายวาจาใจทำตามที่พระพระธรรมคำสอนสอนให้เรากระทำเท่นั้นเดี๋ยวเราก็จะได้เพชรสามเม็ดนี้มาเป็นสมบัติของเร า, าพวกเรามีของดีอยู่ในมือแล้วอย่าอย่ า, อ ย, าอย่าโยนทิ้งไป โอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ชิดพระธรรมคำสอนอย่างยุคนี้ไม่มีอีกแล้วสมัยก่อนนปู่ย่าตายายจะฟังเทศฟังธรรมกันทีต้องไปวัดกันต้องหยุดทำงานกันสมัยก่อนเขาเลยจึงมีวันหยุดทำงานตรงกับวันพระเพื่อให้ญาติโยมจะได้มีเวลาไปเข้าหาพระรัตนตรัยกันเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันแต่สมัยนี้พวกเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในมือแล้ว แต่ไม่เคยกดดูแล้วไม่เคยเรียกขึ้นมาดูเลยอยากจะฟังทำอ่านหนังสือธรรมะเมื่อไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เขียนพระธรรมคำสอนแค่นี้มันก็โผล่ขึ้นมาแล้ว อ, อันนี้แหละเรามีของดีของวิเศษแต่ไม่รู้จักใช้มัน เ, เคยได้ยินเรื่องของไก่ได้พลอยมไหอ แต่เวลามันหากินมันก็คุ้ยเขี่ยตามดินไปมันก็คุ้ยหาตัวหนอนตัวไส้เดือนแต่พอไปเจอก้อนเพชรก้อนพลอยมันทำไงรู้มันเขี่ยทิ้งหมดเพราะมันกินไม่ได้มันไม่รู้ราคาของเพชรของพลอว่ามีคุณค่าขนาดไหนถ้ามันรู้ว่าถ้าเก็บเอาไปขายนี่มันไม่ต้องไปคุ้ยเขี่ยหาตัวหนอนไส้เดือนให้เหนื่อยมีตัวหนอนไส้เดือนให้กินไปทั้งจนมันตายเลย มันไม่ฉลาดเนี่ยมันโง่พวกที่คุยเขีย่ยแล้วเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเขียทิ้งเขีย่ยทิ้งเนี่ยจะคุยหาแต่รองเท้ากระเป๋าเครื่องสำอางสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารมือถือส่วนใหญ่จะหาพวกนี้กันใช่ั้ย <c oughs> หาตัวหนอนหาตัวไส้เดือนกันแต่พอเจอเพชรเจอพลอยขึ้นมาเขีย่ยทิ้งหมด เพราะเมื่อเราไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะไม่รู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละที่ทําให้เราหลุดพ้นจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงซื้อรองเท้าก็หลุดพ้นจากความทุกข์เดี๋ยวเดียวไม่มีรองเท้าใส่พอมีรองเท้าใส่ก็ไม่ต้องเจ็บเท้าไปชั่วคราวเดี๋ยวต่อไปรองเท้าก็เสียก็พังอีก ก็ต้องเจ็บเท้าอีกซื้อเสื้อผ้าซื้อกเป๋ามันก็ใช้ได้สักพักเดี๋ยวมันก็ขาดเดี๋ยวมันก็ใช้ไม่ได้ต้องซื้อใหม่อยู่เรื่อยมันดับความทุกข์ได้ชั่วคราวแต่ถ้าได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนี่จะไม่ทุกข์กับอะไรเลยเจ็บเท้าก็ไม่ทุกข์ไม่มีรองเท้าใส่ก็ไม่ทุกข์เห็นไหมพระท่านไม่ใส่รองเท้ากันเพราะท่านมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ที่ทำให้ใจของท่านไม่เจ็บกับการไม่มีรองเท้าใส่ท่านไม่มีอะไรท่านไม่ทุกข์ไม่เหมือนกับพวกเราไม่มีเงินเราก็ทุกข์กันนะพระท่านไม่มีเงินท่านก็ไม่ทุกข์ไม่มีบ้านท่านก็ไม่ทุกข์พระท่านก็พระธุดดงท่านก็ไม่มีบ้านกันไม่มีกุฏิไม่มีวัดกันพระธุโดงนี้ท่านก็ไปอยู่ตามป่าตามเขามีโกรธอันหนึ่งมีมุ้งอันหนึ่งก็เป็นบ้านได้นะ กรดก็เป็นหลังคาเป็นร่มกรดนี้คือร่มใหญ่ๆแล้วเรียกว่ากรดแล้วก็มีมุ้งครอบครอบหลังคาครอบครอบครอบมุง้งเอามุ้งครอบล่มมันนีเ้เวลานอนก็เวลานั่งสมาธินอนก็อยู่ในมุ้งนั่นนะอะยุคไม่กัดแค่นี้ท่านก็อยู่ได้แนละ้วเป็นบ้านของท่านได้แนละ้วแล้วก็ย้ายบ้านได้เร็ว เบื่อตรงนี้ก็ย้ายไปที่หนึ่งพระธุดองท่านชอบย้ายบ้านอยู่เรื่อยเพราะพอไปอยู่ที่ไหนมันชินแล้วมันขี้เกียจแล้วก็ต้องเปลี่ยนที่ถ้ามันไม่กลัวแล้วมันจะขี้เกียจถ้ามันกลัวนี่มันจะขยันพุทโธพุทโธจะขยันภาวนาเพราะเวลามันกลัวนี่มันทุกข์มันไม่สบายพอพุทโธพุทโธทําใจให้สงบได้มันก็หายทุกข์แต่พอไปอยู่ที่ไหน นานสักไปสักพักมันเริ่มชินแล้วมันเริ่มไม่กลัวแล้วพอมันไม่กลัวมันก็ขี้เกียจพุทโธแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนที่ใหม่ไปหาที่ที่มันน่ากลัวใหม่เพื่อจะได้พุทโธใหม่นี่คือเรื่องของพระปฏิบัติ ต, ต้องหาที่สถานที่ที่จะกระตุ้นการปฏิบัติถ้าอยู่ที่จำเจสะแล้วมันจะขี้เกียจพอมันชินกับที่แล้วมันขี้เกียจแล้ว มันจะหาหมอนอย่างเดียวกินเสร็จมันก็อยากจะหาหมอนแต่ไปอยู่ที่มันไม่ชินนี่มันต้องหวาดระแวงหวาดกลัวอยู่เรื่อยๆจะนอนก็ไม่กล้านอนเพราะไม่รู้ว่าจะมีภัยอะไรหรือเปล่าก็เลยต้องขยันพุโทโธขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อหยุดความกลัวกันนี่พูดถึงพระรันตนใยพระท่านไปหาพระรันตนัย ท่านไม่เอาละตัวหนอนตัวไส้เดือนไม่เอาละกระเป๋ารองเท้าเครื่องสาอางโรงแรมร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวลงภา พ, พยนตร์อะไรต่างๆท่านเคยมีมาละพวกคนที่มาบวชนี่เขาเคยเจอของเหล่านี้มาแล้วเขารู้ว่ามันดับความทุกข์ใจเขาไม่ได้มีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็ยังทุกข์อยู่คิดถึงความแก่เทไรก็ทุกข์ขึ้นมา คิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์คิดถึงความตายก็ทุกข์เพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาดับความทุกข์ใจได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เท่านั้นท่านหนึ่งไปคุยหาเพชรกันท่านไม่ได้เป็นไก่ที่ได้พลอยท่านเป็นไก่หาพลอยผ้านี้เป็นไก่หาพลอยแต่พวกญาติโยมนี่เป็นพวกไก่ไก่เขี่ยวพลอยทิ้งไก่หาไส หาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนเพรตัวหนอนไส้เดือนมันอร่อยนะพอเจอปั๊บก็ได้กินปุ๊บเลยกินแล้วก็อิ่มแต่อิ่มเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็หิวก็ต้องหาใหม่แต่ถ้าหาได้เพชรสักเม็ดอย่างนี้เก็บเอาไปขายได้นี่สบายไม่ต้องไปคุ้ยเขียหาตัวหนอนตัวไส้เดือนสั่งซื้อตัวหนอนมากินได้ตลอดชีวิตเลยถ้ามีเพชรเพียงเม็ดเดียวนี่อันนี้ก็เหมือนกันถ้าใจของเราได้เจอ เพชรของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนี้รับรองได้ว่าใจของเรานี่จะไม่ต้องไปหาอะไรอีกแล้วใจจะอิ่มจะสุขจะสบายไปตลอดจะไม่มีวันทุกข์กับอะไรไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับการพักผ้าจากกันใครจะเป็นใครจะตายไม่ทุกข์ใครจะอยู่ไม่ทุกข์ใครจะตายไม่ทุกข์ใครจะมาไม่ทุกข์ใครจะไปไม่ทุกข์ ใครจะชมไม่ทุกข์ใครจะด่าไม่ทุกข์จะได้อะไรมาก็ไม่ทุกข์จะเสียอะไรไปก็ไม่ทุกข์ถ้าใจมีพระรัตนตายแล้วใจจะมีความสุขในตัวจึงไม่ต้องอาศัยความสุขจากภายนอกไม่ต้องไปอาศัยเงินทองไม่ต้องไปอาศัยคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราถ้าไปอาศัยของภายนอกเดี๋ยวก็ต้องเสียใจ เพราะของภายนอกเดี S <S ๋ยวมันก so ็ต hey, right. an> you know. ้องจากเราไปมันไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปเรียกว่าไม่จากเป็นก็ต้องจากตายเวลาเวลาจากกันก็มีแต่ความทุกข์ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเพราะเรายังต้องมีเขาอยู่ถึงจะมีความสุขพอไม่มีเขาเราก็เลยไม่มีความทุกข์เราก็เลยไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเรามีพระรัตนาใจมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วใจของเราจะอิ่มจะสุขจะสบายมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีใครมาให้ความสุขกับเรา <Server. S 1> พระที่ท่านบรรลุเนะี่ยท่านก็อยู่ของท่านคนเดียวได้ท่านเจอพระรัตนาใจแล้วพระพุทธเจ้านี่จะพอเจอพระรัตนาใจท่านก็ไม่กลับไปหาลูกหาเมียแนละ้วมีลูกมีเมียอยู่ในวังก็ไม่ไปนะ พราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ให้ความสุขที่เหนือกว่าดีกว่าแล้วก็ไม่มีความทุกข์ตามมาด้วยเป็นความสุขที่ไม่มีวันจืดจางไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากครอบครัวได้จากสามีจากภรรยาจากรุก่นจะต้องมีวันหมดเดี๋ยวสามีหรือภรรยาตายไปก็หมดเดี๋ยวลูกจากเราไปก็หมด แต่ความสุขที่ได้จากพระรัตนตรัยนี้ไม่มีวันหมดจะอยู่กับใจเราไปตลอดจนไม่ไม่มีวันสิ้นสุดใจของเรานี้ก็ไม่มีวันตายด้วยแต่ตอนนี้มันอยู่กับความทุกข์กันทุกข์กับการเกิดแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์กับการแก่แล้วก็ทุกข์ ก, ก, ก, ก, กับการเจ็บไข้ได้ปวด่วยแล้วเดี๋ยวก็ทุกข์กับการตายพอตายไปก็ต้องไปทุกข์กับการไปใช้บาปอีก ถ้าไปทําบาปก็ไปเป็นเลระฉานเป็นเปรตเป็นนรูศรีกายไปตกนรกอีกพอออกมาจากกบายก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทุกกับการเกิดการแก่การเจ็บการตายใหม่เนี่ยเราก็จะทุกข์อย่างนี้ไปเรื่อยๆเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพสูงภพต่ำทาบาปก็ไปเกิดในภพต่ําเวลาตายไปทําบุญก็ไปเกิดในภพสูง แต่ไม่ว่าจะพบจะสูงหรือจะต่ําก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะว่ามันเป็นพบที่ไม่ถาวรเป็นพบชั่วคราวไปอาบายก็อยู่ชั่วคราวเหมือนติดคุกไปอาบายก็เหมือนติดคุกเวลาไปติดคุกเขาก็มีกําหนดเวลาจําคุกกีก่ปีห้าปีสิบปียี่สิบปีพอพน้นโทษออกมาก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ หรือถ้าได้รับรางวัลนะไปให้ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนานก็เหมือนกับไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดสวรรค์นี่ก็เหมือนกับไปเที่ยวเมืองนอกกันไปที่ที่เราไม่เคยไปไปดูสิ่งที่สวยงามไปสัมผัสกับสิ่งที่ดีที่สุขที่จเจริญถูจเจริญตากันแต่มันก็มีวันหมดพอมันหมดก็ต้องกลับมาเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศเดี๋ยวเงินหมดก็ต้องกลับบ้าน กลับมาหางานหาเงินใหม่อันนี้ก็เหมือนกันเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นเหมือนเวลามาหาบุญถ้าเราชอบไปเที่ยวเมืองนอกเราก็ต้องกลับมาทําบุญบุญนี่แหละที่จะส่งให้เราไปสวรรค์ส่งให้เราไปเที่ยวเมืองนอกเมือ ง, งานากันแต่บาปนี่ก็จะเป็นเหมือนกับไปทําผิดกฎหมายทําผิดกฎหมายเขาก็จะจับเราไปติดคุกติดตารางคุกตารางก็มีอยู่สี่แดนแดนของเดลอาชานแดนของเปรต แดนของมัตูุรกายแดนของนรกขึ้นอยู่กับว่าทำบาปหนักหรือเบา ม, มากหรือน้อยก็จะแยกเป็นแดนๆดนไปนักโทษอยู่ในคุกเขาก็มีแบ่งเป็นนักโทษชั้นดีนักโทษร้ า, ายกาจต้องแยกขังเดียวเพราะอยู่กับใครไม่ได้อยู่แล้วจะฆ่าเขาอยางทำร้ายเขาเขาก็เลยต้องแยกไปขังเดียวอันนี้ก็เหมือนกัน พอเราทำบาปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปติดคุกในอบายกันหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเราก็จะไปติดคุกติดตารางเวลาที่ไม่มีร่างกายนี้ก็เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเวลาที่เรานอนหลับนี้ใจก็ไปเอยียงไปอยู่เชื่อไหใจก็ไปสวรรค์ได้ไปอบายได้ไปอย่างไรตอนที่นอนหลับก็ไปในความฝันไง เวลานอนหลับเราฝันกันหรือเปล่าบางทีก็ฝันดีบางทีก็ฝันร้ายฝันดีก็แสดงว่าบุญพาไปถ้าฝันร้ายก็บาปพาไปพอตายจริงมันก็จะพาเราไปฝันนานเลยฝันจนกว่าหมดหมดกําลังบาปหมดกําลังบุญถึงจะกลับมาเกิดใหม่พอเกิดใหม่ก็เหมือนตื่นขึ้นมาใหม่แต่ตื่นขึ้นมาด้วยร่างกายอันใหม่ไม่ได้ ไม่เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเวลานอนหลับพอเราตื่นขึ้นมาเรายังได้ร่างกายอันเก่าอยู่แต่เวลาเราตายไปนี่เหมือนเราหลับหลับจริงหลับนานพอตื่นขึ้นมาร่างกายอันเก่ามันก็กลายเป็นขี้เท่าไปแล้วก็เลยต้องไปได้ร่างกายอันใหม่ออกจากท้องแม่มาก็ตื่นขึ้นมาได้ร่างกายอันใหม่การตายถ้ามองในแง่ที่ดีก็เป็นเหมือนกับไปเปลี่ยนร่างกาย ร่างกายอันเก่ามันใช้ไม่ได้แล้วถึงเวลาที่จะต้องไปเปลี่ยนร่างกายแล้วถ้าช่วงเวลาที่รอร่างกายอันใหม่ถ้าทําบุญก็ได้ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาไปได้ไปสวรรค์แล้วพอตื่นพอได้ร่างกายอันใหม่ก็ตื่นขึ้นมาใหม่แล้วก็มาเริ่มทําบุญกันใหม่หรือทำบาปใหม่ถ้าทำบาปก็เหมือนกับไปติดคุกติดตาราง เวลานอนหลับ ก, ก็ฝันแต่เรื่องร้ายๆเรื่องหวาดเสียวหวาดกลัวทั้งหลายนี่แหละคือใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลามันไม่ได้ใช้ร่างกายมันก็จะไปมันจะไปแบบความฝันเหมือนกับอยู่ในแต่เราไม่รู้ว่าเราฝันเชื่อไหมตอนที่เราฝันเนี่ยตอนที่เราฝันนี่เราคิดว่าเราเรากำลังตื่นเรากำลังไปทำนูน่ทนทานี่ทำเ ห, นหนเห็นนู่นเห็นนี่เกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ พูดเรื่องนั้นพูดเรื่องนี้เราคิดว่าเรากำลังเตื่นงันเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในความฝันหรอกเราจะรู้ก็ตอนที่เราตื่นขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้เราฝันไปนะอันนี้ก็เหมือนกันพอเราตายไปแล้วเราไปเกิดใหม่เนี่ยถ้าเรามีความจําดีๆเราเลึกชาติได้เราก็จําได้อ๋อชาติก่อนเราเป็นคนนั้นนะชาติก่อนเราเป็นสัตว์ชนิดนั้นนะมันจะจาได้คนบางคนเลึกชาติได้ ก็จะรู้ว่าแต่ละชาติที่ผ่านมานั้นเคยเป็นอะไรมาก่อนก็เป็นเหมือนจ ำ, จำฝันได้พอเราตื่นขึ้นมาถึงรู้ว่าอ๋อเมื่อกี้เราฝันไปเนี่ยว่ฝันว่าได้ไปเที่ยวที่นั่นฝันว่าได้ไปเจอสิ่งนั้นเจอสิ่งนี้เหมือนกันนี่แหละใจของเราเป็นอย่างนี้ใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาร่างกายตายชั่วคราวคือตอนนอนหลับหรือตายแบบถาว แบบตายแบบตายจริงใจไม่ได้ตายพอใจไม่มีร่างกายใจก็เลยต้องอาศัยบุญอาศัยบาปเป็นตัวพาไปพาไปเที่ยวหรือพาไปติดคุกติดตารางถ้าเวลามีร่างกายก็อาศัยร่างกายพาไปถ้าอยากจะไปติดคุกติดตารางก็ไปปล้นแบงก์กันไปปล้นธนาคารไปฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้กันใช้ร่างกายฆ่าเดี๋ยวพอถูกตำรวจจับเขาก็จับไปขังคุกขังตาราง แต่ถ้าเวลาไม่มีร่างกายมันก็ใช้ความฝันพาไปความฝันก็จะพาไปฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้แล้วก็ไปติดคุกติดตารางในฝันเนี่ยเหมือนกันเลยนี่คือเรื่องของใจของพวกเราเป็นตัวที่ฝันอยู่ตลอดเวลาแม้ขนาดนี้ก็กำลังฝันกันอยู่เราไม่รู้ว่าเรากำลังฝันกันนะคิดว่าเรากำลังตื่นกัน จะมารู้อีกทีก็ต้องไปเกิดหมายแล้วมาเล่นลึกชาติว่าอ๋อชาติก่อนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถึงจะรู้ว่าชาตินี้ก็เป็นเหมือนความฝันอันนี้คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะเราไม่รู้ทางออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดว่าไปทางไหนกันแต่ชาตินี้เราโชคดีเราได้มาเจอทาง มีคนสอนบอกทางออกให้เราไปนิพพานกันไปที่เราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันไปที่ที่เราจะมีแต่ความสุขกันเพียงอย่างเดียววิธีที่จะไปนิพพานก็คือทําทานรักษาสีภาวนาสมถะภาวนาแปลว่านั่งสมาธิทําใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาแปลว่าสอนใจให้ฉลาด ร้อนใจให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์อย่าไปอยากได้เพราะถ้าอยากแล้วมันจะพ้ายแล้วกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆตายไปก็จะกลับมาหามันใหม่ถ้าเห็นกับชอบกระเป๋าชอบรองเท้าชอบเครื่องสําอางเดี๋ยวตายไปก็จะกลับมาหามันใหม่พอเกพอมาเกิดใหม่ก็จะมาหากระเป๋าหารองเท้าหาเสื้อผ้าหาเครื่องสําอางกันใหม่นี่มันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเห็นว่าของพวกนี้มันเป็นทุกข์ เพราะว่ามันเป็นความสุขเดียวๆตอนที่มีมันก็สุขพอตอนที่มันหมดก็ทุกข์อย่าไปมีมันก็ได้ไม่มีเครื่องสามมาง ก, ก็อยู่ได้ไม่มีกระเป๋าก็ก็อยู่ได้ไม่มีรองเท้าก็อยู่ได้ไอ้คิดอย่างนี้เราต่อไปจะได้เลิก อ, อยากกับสิ่งต่างๆเพราะมีแล้วมันจะต้องทุกข์เวลาอยากไม่ได้ก็ทุกข์แล้วเห็นกระเป๋าสวยๆแต่แต่แมราคามันเกิน เกินกำลังของเราอยากจะได้มันก็ไม่ได้ก็ทุกข์แล้วถ้าได้มาก็ทุกข์อีกต้องคอยคอยดูแลรักษามัน ก, กลัมันจะหายอีกแล้วพอหายก็ทุกข์อีกเนี่ยพยายามมองให้เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้พอได้มาแล้วแทนที่จะสุขอย่างเดียวมันไม่สุขอย่างเดียวมันจะทุกข์ตามมาด้วยและมากกว่าสุขอีกสุขที่ได้จากมันนิดเดียวเหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเนี่ย็ได้เห็นเหยื่อนี่ ถ้าได้ได้กินเหยื่อมันก็อร่อยแค่คําเดียวนั่นเองแต่พอถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากก็ทีนี้ก็เจ็บไปนานนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องนี้ก็เป็นอย่างนี้มันสุกเดี๋ยวเดีย ว, ยวแต่งงานกันก็สุขกันไม่เกินหกเดือนใช่ไหมพอหลังจากนั้นแล้วมันก็กลายเป็นทุกข์กันละอันนี้แหละไม่คิดกันมองไม่เห็นถ้าอยากจะฉลาดต้องมองให้เห็นให้ต้องมองเห็นทุกในทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ พราถ้าเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วก็จะไม่อยากได้เหมือนถ้าเรารู้ว่าเครื่องดื่มที่เขาขายเนี่ยดื่มไปแล้วเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งเราจะกินไหมเราจะซื้อมาดืมา่มไหมนี่เราไม่รู้บางทีเขาไม่บอกเราซื้อมากินกันแล้วก็กลายเป็นโรคมะเร็งกันขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเพราะคนขายก็ไม่รู้คนทําก็ไม่รู้แต่ถ้าพอมีนักวิทยาศาสตร์มามาม า, มาทดสอบดูมาตรวจดูอ๋อไอ เครื่องเหือชนิดนี้กินแล้วทำให้เกิดโรคมาเลย์พอประกาศบอกแค่นี้คนเลิกซื้อเลยนี่เราไม่รู้กันว่าทุกอย่างมันทุกข์เราก็เลยอยากได้กันอยากได้เงินได้ทองเพราะคิดว่าได้เงินได้ทองแล้วจะมีความสุขแต่ลืมคิดไปว่าเวลาเงินทองมันหมดเราทำยังไงกระโดดตึกตายกันเนีทุกข์กว่าป่าเวลาคนสิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ย ได้อะไรมาไม่ใช่ว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดมันมีโอกาสที่มันจะจากเราไปได้เสมอไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรต่างๆเป็นเจ้าหน้าที่เป็นระดับไหนก็ตามเป็นนายพลนายพันนายร้อยเป็นหัวหน้ากรมหัวหน้ากองเป็นอธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประหลัดกระทรวงเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าของพวกนี้มันทุกทั้งนั้น่ะ เวลาอยากได้ก็ทุกข์แล้วพอได้มาก็ทุกข์เพราะกลัวมันจะหมดไม่รู้มันจะหมดเมื่อไหร่แล้วพอหมดก็ทุกข์อีกจะแต่ความทุกข์ทั้งนั้นไปหามันทําไมความสุขได้เดี๋ยวเดีย ว, ยวตอนที่ได้ตําแหน่งใหม่ๆเขาตั้นขึ้นมาโอ้ดีใจเลี้ยงฉลองมันสามวันสามคืนแล้วก็ต้องมานั่งทุกข์กับตําแหน่งมาสิถ้าไม่มีตําแหน่งก็สบายไม่ต้องมาทุกข์กับมัน มีตำแหน่งมันก็ต้องมีหน้าที่การงานต้องทำรับผิดชอบไปถามนายกจะทุกข์ไหมเนี่ยทั้งวันเนี่ยเมื่อก่อนไม่เป็นนายกกับวันนี้เป็นนายกอันไหนดีกว่ากันแต่มองไม่เห็นเห็นแต่ว่าเป็นนายกเป็นนายกอย่างเดียวแต่ไม่เห็นความทุกข์ที่ติดมากับความเป็นนายกแต่แม้จะทุกข์ทีกินไม่ได้นอนไม่หลับ ก, ก็ยังไม่ยอมทิ้งเพราะมันติด เหมือนเหมือนเหมือนเหมือนเบ็ดที่มันติดปาดมันไม่อยากไม่กล้าถอนมันถอนแล้วมันเจ็บก็ทนอยู่กับเบ็ดมันไปอย่านั้ น, นี่แหละคือความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าเป็นคนเดียวที่มองเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์หมดราบยศสรรเสริญทุกข์หมดรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพกันที่เราหาความสุขจากมันนี้มันก็ทุกข์เวลาได้เสพมันก็สุขเวลามันหมดก็ทุกข์ เวลาดื่มกาแฟก็สุขพอกาแฟหมดนีก็ทุกบุหรีหมดก็ทุกสุรามหมดก็ทุกเงินที่จะไปเที่ยวหมดก็ทุกขอให้เราเห็นความทุกข์เพราะว่าของทุกอย่างในโลกนี้มันเสื่อมมันต้องหมดเราห้ามมันไม่ได้เห็นถ้าเราเห็นว่ามันทุกข์เราก็จะตัดความอยากต่างๆได้ อยากได้ลาบรดสรรเสริญก็ไม่เอาอยากได้รูปเสียงกิ่นลดก็ไม่เอาถ้ารู้ว่าได้มาแล้วจะต้องทุกเอามาทำไมก็เลยไม่ต้องเอามันดีกว่ า, านี่เรียกว่าปัญญาหรือวิปัสสนาเอาอย่างเดียวที่ควรจะเอาก็คือเอาความสงบเอาสมะถะภาวนานั่งสมาธิกันเพราะสมาธินี้ไม่หมดพอนั่งเป็นแล้วมันจะมีอยู่กับเราไปเรื่อยสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เรื่อย ต้องการเมื่อไหร่ก็สั่งให้มันมาได้ถ้าเรานั่งสมาธิเป็นเราต้องการความสงบเมื่อไหร่ต้องการความสุขจากความสงบเมื่อไหร่เราก็สั่งมันได้ไม่มีวันหมดไม่ว่าเราจะแก่หรือไม่แก่ไม่ว่าเราจะเจ็บหรือไม่เจ็บไม่ว่าเราจะตายหรือไม่ตายความสงบนี้ไม่หมดไปกับความแก่ความเจ็บความตายความสงบนี้เราสามารถที่จะมีได้ตลอดเวลา ถ้าเรารู้จักทามันแล้วพอเราได้ความสงบแล้วเราก็เลิอกอยากกับสิ่งต่างๆได้อยากได้เงินก็ไม่เอาอยากได้ตำแหน่งก็ไม่เอาอยากได้แฟนก็ไม่เอาอยู่คนเดียวดีกว่าสุขมากกว่าอยู่สองคนถ้ามีสมาธิมีความสงบแล้วไม่เหงาอยู่คนเดียวไม่เหงาที่อยู่คนเดียวไม่ได้เพราะมันเหงามันว้าเว แต่ถ้ามาทำสมาธิได้จะอยู่คนเดียวได้เวลาอยากจะมีแฟนก็เลือกเลอกเลิอ ก, เลอกอยากได้เพราะถ้ามองมองยาวๆเราจะรู้ว่ามันทุกข์มากกว่าสุขมีแฟนแล้วก็ต้องมาทุกข์กับแฟนแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวก็พอมีลูกก็ต้องมาทุกข์กับลูกอีกแต่ถ้าไม่มีความสงบไม่มีสมาธิอยู่คนเดียวไม่ได้มันเหงามันว้าเว มันจะคิดหาแฟนอยู่เรื่อยๆถึงแม้จะรู้ว่าจะทุกข์ก็ยอมเสี่ยงเอาวะอตอนนี้ดีกว่าไม่มีอะไรเลยอออยู่คนเดียวมันทรมานอย่างน้อยไปเสี่ยงกับอยู่สองคนดูอย่างน้อยใหม่ๆมันก็สุขแน่ๆเวลาพบกันใหม่ๆรักกันใหม่ๆนี่โอ้โหยังขึ้นสวรรค์แต่พออยู่กันไปสักพักแล้วเริ่มเบื่อแล้วสิพอเบื่อแล้วทีนี้ก็เริ่มตกนรกกันเลย แต่ก็พอตกนรกก็ต้องทนนะว่จะทำไงได้ <c oughs> นอกจากว่าแยกทางกันอาตายจากกันไปหรือทิ้งกันไปอ <c oughs> นี่คือโลกของความทุกข์แต่เราไม่รู้กันเราต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้ามาสอนเราสอนให้เราเห็นว่าโลกนี้มันทุกข์ทุกเพราะว่ามันมันเสื่อมได้ความสุขที่ได้จากโลกนี้มันเสื่อมหมดได้ แต่ความสุขที่ได้จากความสงบไม่เสื่อมไม่หมดอย่างนั้นให้เรามาหาความสุขจากความสงบกันมาทำสมถะภาวนากันมานั่งสมาธิกันพอเรามีความสุขจากความสงบแล้วเราทิ้งความสุขจากสิ่งต่างๆได้ทิ้งเงินทิ้งทองได้ทิ้งแฟนได้ทิ้งตำแหน่งได้ทิ้งอะไรได้หมดพระพุทธเจ้าทิ้งได้หมดนะเป็นเจ้าชายเป็น อนาคตจะเป็นมหาจักรพรรดิก็ทิ้งมือนได้เพราะรู้ว่าเป็นจักรพรรดิเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่ดีแล้วเวลาเป็นจักรพรรดิก็ต้องหวาดระแวงไม่รู้ใครจะมาฆ่าตัวเองตอนเมื่อไหร่จะมาลอบปกครชนมรเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พอเป็นพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครอยากจะมาทําอะไรเพราะไม่มีอะไรให้เขาสิ่งที่เขาต้องการไม่มีในตัวของพระพุทธเจา้าจะอลไรไม่มีใครมาป้นมาจี้มาฆ่า ยกเว้นคนบ้าคือพระเทวทัตเท่านั้ น, น <EN> ที่อยากจะเป็นพระพุทธเจา้าอยากจะเป็นผู้ปกครองสองฆ์แทนพระพุทธเจา้าพอไม่ได้ก็เลยโกรธก็เลยพยายามฆ่าพระพุทธเจา้าเท่านั้นมีคนเดียวทั้นที่บ้าที่อยากจะได้อะไรจากพระพุทธเจา้านอกนั้นไม่มีใครอยากได้อะไรจากพระพุทธเจา้านอกจากพระธรรมคาสอน <EN> ที่พระพุทธเจ้าก็ให้อยู่แล้วแจกให้ฟรีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว <EN> ไม่ต้องมาขอ พระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ทําทานธรรมทานเป็นคนแรกการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงเนี่ยคนแรกที่ให้ธรรมทานคือใครก็คือพระพุทธเจ้ า, าของพวกเรานี่แหละทรงเป็นคนสแสดงธรรมเป็นคนแรกพอตัดสรู้ธรรมแล้วก็ทรงสแสดงธรรมให้แก่พระปัญจวคีตอนนั้นก็ไม่มีไม่มีเรียกซองเรียกเรียกเงินเรียกทองไม่มีไม่มีเอาบาปไปตั้งไว้ที่หน้าพระปัญเจ พระปเจกับพระปจจวเกว่าการเทศนะไม่มีการเทศธรรมทานให้ฟรีนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะเข้าหากันทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เรามาเจอทางแล้วรีบเดินซะขึ้นเดินไปเดินไปไม่กี่กิโลเดี๋ยวก็ออกจากป่าได้แล้วพระพุทธเจ้าบอกถ้าขยันจริงๆเจ็ดวันก็ออกจากป่าได้แล้วถ้า ถ้าขี้เกียจก็อาจจะเจเดือนถ้าขี้เกียจก่อนนั้นก็อาจจะเจดปีแต่ถ้าเดินบนถนนนี้แล้วรับรองได้จะต้องออกจากป่านี้ได้อย่างแน่นอนออกจากป่าแห่งการเวียนว่ายตายเกิดป่าสังสารวัตาสังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดในไตรภพการมาภพรูปภพอรูปภพถ้าเจอมักเจอทางคือทานศีลภาวนาแล้วปฏิบัติตามที่พพุทธเจ้าทรงสอนได้ ก็จะออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้ออกจากสังสารวัฏได้ฉะนั้นพยายามทําบุญทําทานเวลามีเงินจะไปซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอย่าไปซื้อขอยคิดว่าถ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าเท่ากับไปซื้อภพชาติซื้อการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเอาไปทําบุญก็ถือว่ากําลังเอากําลังตัดภพตัดชาติถ้าอยากจะตัดภพตัดชาติเอาเงินไปทําบุญอย่าเอาเงินไปเที่ยวอย่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือย นอกจากของจำเป็นนี้ซื้อได้เช่นซื้อข้าวซื้ออะไรที่เราไม่มีซื้อได้เพื่อเพื่อการของชีพนี้ไม่ไม่เป็นไม่เป็นการซื้อพบซื้อชาติแต่ถ้าซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเครื่องสำอางซื้อตั๋วเรือบินซื้ออะไรต่างๆนี้เป็นการซื้อพบซื้อชาติเอาไปทำบุญดีกว่าเป็นการตัดพบตัดชาติแล้วก็อย่าทำบาปเพราะว่า ถ้าทำบาปแล้วเดี๋ยวต้องไปติดนอบายจะไปนิพพานไม่ได้อย่าไปทำบาปแล้วก็ไปนั่งสมาธิทำใจให้มีความสุขพอมีความสุขแล้วก็จะได้ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ตัดความอยากในลาบยศรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้พอตัดความอยากต่างๆได้หมดก็ได้ออกจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดทันที ได้ออกจากป่าทันทีได้ถึงที่ปลอดภัยคือพระนิพานที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานคือบรลมะสุขบรลมะสุขก็คือมีแต่สุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์สุขของพวกเราตอนนี้มีสุขแล้วก็มีทุกข์ตามมาเสมอสุขสามวันทุกข์สี่วันสามวันดีสามวันสุขสี่วันทุกษ์สามวันดีสี่วันไข้ นี่คือลักษณะของความสุขที่เรามีกันแต่ถ้าไปนิพพานแล้วเจ็ดวันก็จะสุขทั้งเจดวันไม่มีสามวันสุขสี่วันทุกท่านหนึ่งเรียกว่าบรล ม, มสุขถ้าอยากจะมีความสุขตลอดยี่บสี่ชั่วโมง711เนี่ยก็ขอให้ไปทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนากันแล้วรับรองได้ว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีก็จะถึงพระนิพพานกันอย่างแน่นอน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 จันโทปนะราโสยธามณิจโตรติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสิลิสะนิจจังวุฒาปะจายโนจตารุธรมมวัฏานติ อายวันโสอสุขังภาลังใช่ไหมยังปฏิบัติเดียวเปล่าต้องปฏิบัติทุกวันนะถ้าอยากจะก้าวหนะ้าอันนี้ต้องทําไปเรื่อยๆทําให้มากขึ้นไปเรื่อยๆทับทุกวันแต่ทาเท่าเดิมก็ยังไม่ก้าวหนะ้าต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็มที่เต็มรอยเลยวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ รายงานทัาหน่เลยวันนี้ค่ะเฟ c e b o o สี่ร้อยห้าสิบคนค่ะ y o u ู u หนึ่งร้อยสามสิบคนวิทยุออนไลน์สิบแปดคนรับฟังบนเขาสามสิบเก้าคนรวมทั้งสิ้นห้าร้อยเก้าสิบสองคนเจ้าค่ะ่ถูกอ่ะสี่รวมสี่ร้อยห้าคนครับอ๋อสี่อยห้าคนนั้นสิรับฟังเป็นสี่ร้อยห้าสิบมันถึง <5 45 S 1> เมื่อกี้ <5 S 1> <น>ว่าสี่ร้อยห้าสิบนี่ใช่ไหมครับอ๋อ หนูนอ่านผิดแล้วเจ้าค่ะหนูขอโทษค่ะเือเราฟังผิดใช่ไหมเราคิดว่าสี่ร้อยห้าสิบเราคิดว่มา450มันต้องหกร้อยหน่วนั้นแปลว่าหนูผิดเองเจ้าค่ะเอไม่เราอาจจะฟังผิดกันได้ไหมหรือสี่ร้อยห้าเราอาจะเป็นสี่ร้อยห้าสิบไปแก้กันอมีคําถามใครอยากจะถามก็เขียนข้อความมาก็ได้นะถ้าไม่อยากจะมาถามเองก็เขียนกระดาษใส่แล้วทาง พิธีกรจะช่วยอ่านคำถามให้แต่ให้ถามตอนที่เรากำลังออกอาก า, กาศกันมันจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนคนที่ไม่รู้คำถามไม่เคยมีคำถามไม่มีปัญหาก็จะได้รู้ต่อไปเวลามีปัญหาจะได้รู้คำตอบจะได้ไม่ลองมาถามกังซ้ำซากคาถามคำถามจาก a c e b o o k ค่ะจากคุณลิซ่าขอโอกาสถามคำถามนะคะ ปกติปฏิบัติโดยการพิจารณาอาการ32แต่เมื่อพิจารณาไปสักพักพอความฟุ้งซ่านน้อยลงกลับรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกตอนนั้นจะรู้สึกอยากเปลี่ยนมาอยู่กับลมหายใจเพราะสบายกว่าขอถามว่าจะสามารถทําได้หรือไม่หรือคนพิจารณาอาการ32ต่อไปทําได้ดีสิเพราะว่าตอนที่เราพิจารณาอาการ32เพราะตอนนั้นจิตเราอาจจะฟุ้ง เราไม่สามารถดูลมได้เราก็เลยใช้การพิจารณาการ3 2มเพื่อลดความฟุ้งซ่านก่อนพอจิตหายฟุ้งแล้วใจเริ่มสบายดูลมสบายกว่าก็ควรจะดูลมต่อเพราะถ้าดูลมแล้วจิตจะรวมเป็นหนึ่งได้ถ้าพิจารณาการ3าสองนี้อาจจะรวมไม่ได้เพราะฉั้นถ้าเราเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนอันนี้เหมือนกับบางทีบางคนแทนที่จะพิจารณาการ32ก็ใช้การสวดมนต์ เวลาเริ่มนั่งสมาธิดูลมก็ดูไม่ได้ใจฟุง้งคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็เลยต้องใช้การสวดมนต์หยุดความฟุ้งซ่านก่อนสวดไปเรื่อยๆพอความฟุ้งซ่านหายไปใจเบ า, ใ จ, เบาใจสบายก็อยากจะดูลมต่อก็ดูลมไปได้เปลี่ยนมันเป็นเหมือนรถเปลี่ยนเกียร์ตอนที่จะออกรถนี้ต้องใช้เกียร์หนึ่งนะถ้าไปออกเกียร์สีมันก็ไม่มีกํำลังมันออกไม่ไหวยังก่อนที่จะเข้าเกียร์สีก็ต้องเข้าเกียร์หนึ่งก่อน แล้วก็เข้าเกียร์สองเกียร์สามตามไปใจเราก็เหมือนกันเวลาเราเริ่มต้นนั่งสมาธิบางวันมันฟุ้งมันเรื่องมากมันคิดมากตอนนั้นก็ต้องใช้เกียร์หนึ่งก่อนส่วนมนต์ไปก่อนพิจารณาการสามสิสองไปก่อนหรือถ้าติดอยู่กับเรื่องไหนก็พิจารณาให้ปล่อยวางเรื่องนั้นได้มีกําลังกังวลงกับเรื่องของลูกก็พิจารณาตายรักไปว่าลูกมันเป็นตายรักมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปห้ามมันไม่ได้ ไปช่วยมันยังไงดูแลมันยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องตายเอพอรู้ว่ายังไงมันก็ต้องตายก็เลยหายกังวลหยุดไปกังวลกับเรื่องของลูกแล้วก็กลับมาดูลมหายใจต่อได้คําถามต่อไปจากของคุณอู๋ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เวลาเราเจอศพและมีกลิ่นแล้วเรารู้สึกเหมือนเรารู้สึกเหม็น และมีอาการคลื่นไส้แสดงว่าเราขาดสติใช่ไหมคะถ้ามีสติจะไม่รู้สึกเหม็นใช่ไหมคะกลับขอบคุณค่ะอ๋อถ้ามีสติจะไม่คลื่นไส้แต่ยังเหม็นอยู่เหม็นนี่เราไปเปลี่ยนนันไม่ได้แต่เราควบคุมใจเราให้เฉยๆได้ไม่เป็นลมได้บางคนเห็นสมแล้วก็เป็นลมสติไม่มีควบคุมใจหรือคลื่นไส้ขึ้นมาหรือบางทีก็หดหูใ่ใจขึ้นมาเพียงแต่คิดถึงคําว่าตายก็หดหูใ่ใจขึ้นมาแล้ว แสดงว่ามีสติน้อยมากมีอุเบกขาน้อยถ้าฝึกสติเรื่อยๆจะจะิตจะมีอุเบกขาจะวางเฉยได้มากพอเห็นนะอะไรที่น่าเกลียดน่ากลัวก็จะไม่มีอาการอาการขึ้นไส้หรืออากา ร, ากา ร, าการเวียนหัวหรือเป็นลมอย่างนี้เพรนั้นพยายามฝึกสติไปบ่อยๆพุโทโธไปเรื่อยๆทั้งวันเนี่ยไม่ต้องทําอะไรอย่าคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันขยันพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ แล้วมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาพุทโธไปดูลงไปแล้วต่อไปจิตจะมีสติเพิ่มมากขึ้นแล้วต่อไปเห็นคนตายเห็นอะไรมันจะ ร, รู้สึกเฉยๆคำถามจากคุณสิริชัยกราบเรียนถามพระอาจารย์เป็นไปได้หรือไม่ถ้าผลกรรมในอดีตจะมาขัดขวางความตั้งใจในการสร้างความดีของเราโดยเฉพาะการตั้งใจบวช ถ้าเป็นไปได้เราควรจะตั้งใจปฏิบัติตนอย่างไรดีเพราะตระหนักได้ถึงภยยัยแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วอ๋อมันขวางได้แต่เราก็ทำลายมันได้ถ้าเรามีปัญญาไม่มีอะไรจะมาขวางเราได้กรรมเก่าจะหนักขนาดไหนถ้าเรามีปัญญามันไม่สามารถมาขวางเราได้เพราะอะไรถ้าเรามีปัญญาเราก็เห็นว่าอย่างมากก็แค่ตายวะออพอเราเห็นความตายแล้วเราจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้น ใครจะมาขวางอะไรก็อย่างมากก็แค่ตายยอมตายแล้วมันไม่มีใครจะมาขวางเราได้แต่ถ้าเรากลัวตายนี่มันก็ไม่มีวันที่จะพันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้ฉะนั้นคนที่มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปสู่พระนิพพานนี้ต้องยอมตายกันครูบาอาจารย์ทุกรูปนี้ท่านบอกว่านิพพานอยู่ฟากตายถ้าไม่ยอมตายไปถึงนิพพานไม่ได้เพราะาต้องยอมตายก่อนมันถึงจะไปถึงนิพพานได้ ย่งถ้าเราอยากจะบวชอยากจะไปนิพพานนี้เราต้องยอมตายถ้ายอมตายแล้วจะรับรองได้ว่าได้บวชแ น, น่ๆ ย, ย ก, ยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งเป็นลูกคนเดียวอยากจะบวชแต่พ่อแม่ไม่ยอมให้บวชแม่อนุญาตให้บวชเพราะไม่กลัวจะไม่มีใครมารับมรดกตายไปแล้วเดี๋ยวตายไปเงินที่หาไว้ไม่มีใครต้องให้คนอื่นไปก็ไม่ยอมให้ลูกไปบวชแต่ลูกอยากจะบวชแล้วทําลูกทํายังไงรู้ปะ ลูกก็เลยไม่กินข้าวปวดข้าวยอมหมดตายตอนตอน้นพ่อแม่ก็ไปบอกเพื่อนๆของลูกให้มามากล่อมมาเปี้ยวบอกว่าอยา่าอย่าตายเลยอะไรเลยแต่มันก็ไม่ยอมฟังใครทำไมพอรู้ว่าลูกยอมตายจริงๆพ่อแม่ก็เลยต้องยอมก็เลยอนุญาตให้บวชได้งนั้นถ้าเราเห็นความตายไม่ว่าจะเป็นของเราหรือของพ่อแม่เราไปบวชได้ ไอ้ที่จะไปบวชแล้วอ้างว่าพ่อแม่เลี้ยงดูตัวเองไม่ได้ <S <S <an> <S เดี๋ยวจะตาย <S <S <an> <S เลี้ยงดูก็ตายเหมือนกันแต่เราเห็นความตายแล้วเราทิ้งได้หมดจะเลี้ยงดูเขาดียังไงเดี๋ยวเขาก็ต้องตายอยู่ดีถ้าเราตายไปวันนี้เขาจะอยู่ได้ยังไงเขาก็ต้องอยู่ของเขาได้อยู่ดีใช่ไหมสมมติบบเราเปา็นคนเลี้ยงดูเขาแต่เราเกิดเราตายก่อนเขาแล้วเขาจะทำยังไง <S an> เขาก็ต้องอยู่ของเขาต่อไปจนได้ถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ตาย มันก็ต้องตายอยู่ดีในที่สุดทุกอย่างมันก็มาจบที่ความตายถ้าเราเห็นความตายแล้วรับรองได้ว่าไม่มีอะไรจะมาขวางกั้นเราได้ถ้าเรายอมตายยอมให้ทุกคนตายมันจะไม่มีอะไรมาผูกพันกับเราหรอกปัญหาคือเรามองไม่เห็นความตายกันหรือกลัวความตายกันมันก็เลยแก้ปัญหากันไม่จบสักทีถ้าอยากจะแก้ปัญหาต้องยอมตายแล้วปัญหาต่างๆจะหายไปหมด พอยอมตายแล้วผัวจะจากก็ไม่เสียดายเลยลูกจะจากไม่เสียดายเลยภรรยาจะจากไม่เสียดายเลยเพราะว่าเราเสียเรายอมเสียสิ่งที่เรารักมากกว่าลูกกับเมียก็คือตัวเรานี่แหละใครจะรักชีวิตของตนเองมากกว่าตนเองใช่ไหมระหว่างเมียกับสามีกับเรานี่เราจะรักใครมากกว่ากันถ้าต้องให้เลือกถ้าต้องต้องให้คนใดคนหนึ่งตายฉันใกล้ตายดี ้าผัวถามว่าเธอกับฉันใครจะตายดีเธอบรรจากตายให้ฉันได้ไหมเธอบริจากตศตายให้ฉันได้ไหมเขามันไม่ได้หรอกนะฉนั้นขอให้เรามีปัญญาเถิดปัญญาในที่นี้ก็คือค ว, ความตายเนี่ยรู้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายหนีไม่พ้นความตายแล้วถ้ายอมตายได้แล้วรับรองได้ว่ามันจะไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคขวางกั้น คำถามจากคุณพัชรพลวันก่อนพระอาจารย์บอกว่าวิธีแก้ความโกรธคนอื่นคือให้มีเมตตาจะมีอุบายหรือแนวคิดอย่างไรจึงจะมีเมตตาต่อคนอื่นได้ครับเพราะบางครั้งยังมีอารมณ์โกรธเกลียดอยู่จะมีอุบายให้มีเมตตาเขาได้อย่างไรครับก็คิดสลับกันสิคิดว่าถ้าเขาเป็นเราเนี่ยเราไปทําเขาให้โกรธแล้วเขาจะเตะเรานี้แล้วก็เปลี่ยนใจบอกว่าไม่เตะมันดีกว่าอให้อภัยมันดีกว่าเราจะรู้สึกอย่างไร เรารูสึกโอสบายโล่งให้คิดอย่างนี้เวลาเราโกรธใครเราอยากจะไปเตะเขาไปอยากจะไปตีเขาก็ให้คิดว่าถ้าเขาเป็นเราเขาจะคิดอย่างไรถ้าเราเปลี่ยนใจเราให้อภัยเขาได้แล้วก็จะไม่มีปัญหาตามมาใช่ไหมถ้าเราไปตีเขาเดี๋ยวเขาโกรธเราเองเขาก็จะมาตีเราเองเดี๋ยวมันก็ฆ่ า, ากันจนได้ในที่สุดให้คิดแบบนี้คิดว่ามันจะเรื่องเรื่องจะไม่บางปายเรื่องจะสงบถ้าเราหยุดนะ แต่ถ้าเราไม่หยุดเราไปทำเขาเขาก็จะกลับมาทำเราแรงขึ้นกว่าเราที่ทำเขาเขาะ็ทำต่เราแรงกว่าที่เราทำเขาเราก็จะทำเขาให้แรงกว่าทำไปทำมาเดี๋ยวก็ต้องฆ่ากันยนได้ให้คิดแบบนี้คำถามจาก YouTube นะคะจากคุณวรนันอารมณ์กับจิตต่างกันอย่างไรคะ อ, อ๋ออารมณ์ก็อยู่ในจิตไงจิตคือผู้รู้จิตผู้มีอารมณ์ แต่จิต บ, บางทีไม่มีสติเลยไม่รู้อารมณ์ของตัวเองเลยปล่อยให้อารมณ์นี้ออกมาเพ่นพ่านทางทางกายทางวาจาพอมีอารมณ์ไม่ดีก็กรี๊ดขึ้นมาฮะด่าคนน้นว่าคนนี้ขึ้นมาออกมาจากจิตที่ไม่มีสติถ้าจิตมีสติจะรู้ว่าอ๋อตอนนี้เรามีอารมณ์ไม่ดีเราต้องเรามั่นระวังอย่าให้มันออกมาทางวาจาทางกายพยายามสงบสติอารมณ์ด้วยการใช้พุโทโธพุโทโธไป คำถามจากธรรมบนเขานะคะอัชบริขารมีอะไรบ้างคะก็เป็นของใช้แปดชิ้นที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของพระอัฐะแปลว่าแปดบริขารก็คือของใช้ชิ้นแรกก็เรียกว่าบาทอันนี้จำเป็นต่อการหากินเป็นเครื่องมือหากินถ้ามีบาทมีบาดแล้วไปอยู่ที่ไหนไม่อดตายเป็นผ้าถ้ามีบาทแล้วไปไหนไม่อดตาย ตอนเช้าลองเดินถือบาทเข้าไปในบ้านพอก็เห็นพระถือบาทมาไม่รู้จักกันเขาก็รีบเอาข้าวมาใส่ให้แล้ะมีข้อที่หนึ่งคือบาทเป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งคือการหาอาหารปัจจัยที่สองที่พระต้องใช้ก็คือเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าก็คือผ้าไตรก็มีสามชิ้นผ้านุ่งหนึ่งชิ้นผ้าห่มหนึ่งชิ้นแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งชิ้นเป็นสามชิ้นผ้าที่พระใช้ผ้าบาทนี้คือผ้าห่มกันหนาว ท่านมันร้อนท่านก็เลยไม่ได้หม่มท่านก็เลยเอามาผ้าด่าไว้แต่เวลาหน้าหนาวท่านก็จะใช้ผ้าผืนนี้มาห่มกันหนาวได้แล้วก็เป็นสามชิ้นก็เป็นสี่ชิ้นละบาทหนึ่งชิ้นผ้าสามชิ้นก็เป็นสี่ชิ้นแล้วผ้านี้มันไม่มีซิปไม่มีอะไรก็เราต้องมีเข็มขัดรัดเอวก็เ ร, เรียกว่าประคตนะประคตนี้ก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นชิ้นที่ห้าต้องมีประคตรัดเอวแล้ว นอกจากนั้นก็ต้องมีอะไรก็ต้องมีเข็มเข็มกับได้มีไว้ทําไมเผื่อจีบวอนขาดอ่ะเดี๋ยวเดินไปในป่าไปเจอน้ําเจออะไรมันฉีดถ้าไม่มีเข็มก็ได้ก็ซ่อมไม่ได้ก็ต้องมีเข็มกับได้อันนี้ก็เป็นหกละอั น, นที่ 7, ททเจ็ดก็ต้องมีมีดโกนไว้ปรงผมปรงหนวดเนี่ทุกทุกเดือนนี่พระจะต้องปรงผมก็ต้องมีมีดโกนอันนี้ก็ข้อที่เจ็ดชิ้นที่เจ็ด ข้อที่แปดก็คือที่กรองน้ําสมัยนี้อาจจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะเราอยู่ในที่เจริญมีน้ํากรองบริสุทธิ์ให้กินแต่สมัยโบราณสมัยพุทธกาลนี่ผ้าต้องอยู่ในป่า ก, กันต้องไปตักน้ําจากลาําธารลาห้วยที่ในลานําธารลําห้วยบางทีมันมีตัวสัตว์อยู่ในน้ํามีตัวลูกน้ําอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีที่กรองตักขึ้นมาเพื่อจะได้เอาแต่น้ําไม่มีตัวสัตว์ติดขึ้นมาด้วยก็เรียกว่าที่กรองน้ํา นี่เป็นชิ้นที่แปดเวลาจะบวชนี้พราอุปชาคือผู้ที่จะบวชให้จะต้องถามก่อนว่าเธอมีอัฐบริขารครบหรือยังถ้าไม่มีต้องหามาให้ครบก่อนถ้าหาเอามาไม่ได้ผู้ที่จะบวชนี้จะเป็นผู้หาให้เพราะการบวชนี้เป็นการกระทำที่ดีที่ควรจะสนับสนุนเซนถ้ามีคนยากคนจนมาบวชแต่ไม่มีเงินซื้ออัฐบริขาร ค้าที่จะบวชให้นี่แหละจะต้องเป็นคนจัดหาให้คำถามจากลายค่ะคุณบีวิธีออกจากสมาธิต้องทำอย่างไรคะไม่มีหรอกก็มันออกมาเองอยู่ไม่ได้มันก็ออกนั่งไปแล้วมันทนไม่ไหวมันอยากจะลุกมันก็ออกมาวิธีออกไม่มีมีแต่วิธีเข้าวิธีออกนี่มันง่ายมันปุ๊บออกมาเลยค่ะคำถามจากคุณบีบีค่ะทางเฟซบุ๊ กลับนมัสการพระอาจารย์ค่ะพอดีมีเพื่อนเออขอโทษค่ะพอดีมีพี่เขาฝากถามว่าถ้าลูกที่เกิดมาผิดปกตินั้นเป็นกรรมของลูกหรือเป็นกรรมของแม่หรือเป็นกรรมร่วมกันมาคะกลาบสาธุเจ้าค่ะมันก็เป็นกรรมของลูกสิมันเป็นร่างกายของลูกเนี่ยถ้าลูกหูหนวกตาบอดเนี่ยแม่ไม่ได้หูหนวกตาบอดไปด้วยมันก็เป็นกรรมของลูกชาติก่อนาจะไปทาใครหูหนวกตาบอดชาตินี้เลยก็ต้องมาเกิดแล้วต้องมาหูหนวกตาบอด หมแล้วเหรอหมดเจ้าค่ะ อ, อาจารย์เจ้าค่ะแล้วอย่างอัธบาบริหารแปะแล้วอะค่ะอย่างถือหมอนละคะหมอนที่จะต้องตอนบวชอะค่ะอันนี้เป็นของโบนัสของแถมเพะนี้มีก็ได้ออปชั่นเหมือนซื้อรถเนี่ยรถเมื่อสมัยก่อนแอบจะติดหรือไม่ติดก็ได้วิทยุจะติดแล้วไม่ติดก็ได้เพราะไม่จำไม่สําคัญไงขอให้รถวิ่งได้ก็พอขอให้ผ้ามีอัธบาบริหารก็อยู่ได้นะ ส่วนของพวกนี้เป็นของที่ญาติโยมแถมมาให้สงสารพระไม่อยากให้พระนอนกับพื้นนอนกับไม่มีหมอนก็เลยหาเสือหาอะไรบางแห่งก็มีปิ่นโตให้ด้วยมีตาลปัดให้อีกอของพวกนี้ไม่จำเป็นเป็นของแถมเป็นของออปชั่นเหมือนซื้อรถเนี่ยสมัยนี้เขามีให้เลือกใช่ไหจะเอาแอร์แบกหรือไม่เอาก็ได้ถ้าจะเอา่าต้องเสียเงินเพิ่ม อ, อ, อันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าให้เอาแบบ แบบพื้นฐานแบบพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมีมากแล้วมันพัลวงพลังเพราะพระสมัยก่อนไม่ค่อยอยู่กับที่กันพราสมัยก่อนจะเป็นพระทุ่ดงกันจะไปไหนมาไหนต้องเอาบริขารแปดไปด้วยก็บาดนี่แหละเป็นกระเป๋าเวลาเดินทางรู้ไหมเอาพวกผ้าเนี่ยผ้าจีวรที่ไม่ได้ใช้ใส่ไปในบาตรเอาที่กองน้ําใส่ไปในบาตรเอา ใบมีดโกนใส่ไปในบาดเอาเข็มกับได้ใส่ไปในบาดแล้วก็เดินแบกกดกำมุ้งไปพอเจอที่ไหนเหมาะที่สงบก็ก็เอาตรงนั้นโคนไม้ตรงไห น, นกางกดตรงนั้นก็นั่งสมาธิเดินจงกลมแถวนั้นได้เลยตอนเช้าก็มีบาดอุ้มเข้าไปในหมู่บ้านไปหาอาหารรับประทานรับประทานเสร็จ ก, ก็กลับมาเดินจงกลมนั่งสมาธิอยู่ไปสักพักแท่งที่มันเริ่มชินแล้มันไม่ท้าทาย ก็เปลี่ยนที่ใหม่เดินจะเดินทุ ด, ดงต่อไปอันนี้เป็นการฝึกความอดทนฝึกความวฝึกความขยันเพราะถ้าอยู่กับที่แล้วมันจะขี้เกียจถ้าอยู่ที่สุขที่สบายแล้วมันจะไม่ไม่ดินน้นรนไม่ขวนขวายแต่ถ้ามันอยู่ที่ยากที่ลาบากมันจะต้องคอยต่อสู้อยู่ตลอดเวลาภาพถึงบรรลุธรรมกันได้มากสมัยก่อนเพราะพระเป็นภาพ ป, ป่ากัน แต่พอศาสนาเริ่มเจริญญาติโยมกับไม่รู้ความจริงของพระกับสงสารพระเลยสร้างวัดให้สวยงามให้อยู่พระก็เลยอยู่วัดกันอยู่วัดกันก็เลยไม่ได้มีการขวนขวายที่จะปฏิบัติปฏิบัติทำกันก็เลยไม่มีการบรรลุธรรมเนี่ยดูเทเนี่ยปัจจุบันเนี่ ย, ย, นนยพระที่อยู่ในเมืองเนี่ยมีใครตายไปแล้วกระดูกเป็นพระธาตุบ้างไห ม, มแต่พระป่านี่เห็นไหมตายไปแล้วหลวงปู่องนั้นกลายเป็นพระธาตุหลวงปู่องนี้กลายเป็นพระธาตุ เนี่ยคือความแตกต่างของของพระเนี่ยมีคําถามเจค่ะจาก facebook ค่ะคุณวาสันต์กลาบเรียนถามพระอาจารย์จิตกับวิญ ญ, ญาณต่างกันอย่างไรครับตัวเดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อเหมือนผู้หญิงตอนเป็นเด็กก็เรียวกว่าเด็กหญิงเนี่ยพอโตขึ้นไปหน่อยก็เป็นนางสาวพอมีผัว ก, ก็เป็นนางไปตัวเดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อเวลาอยู่ในร่างกายเราเรียกว่าจิตเวลาออกจากร่างกายไปเราก็เรียกว่าวิญญาณ ครั้นั้นเองตัวเดียวกันคําถามจากคุณชนะตนค่ะเคยฟังพระอาจารย์สอนว่าการปฏิบัติให้ได้ผลต้องต่อเนื่องทั้งวันค่าความอยากไปเรื่อยๆถ้าหยุดกิเลสจะเล่นงานเราเพราะกิเลสทํางานตลอดเวลาอย่างนี้ถ้ายังไม่บวชเราอยากบรรลุต้องปฏิบัติให้เยอะที่สุดให้กิเลสเกิดน้อยอย่างมีสติ ให้กิเลสเกิดน้อยกว่ามีสติเพื่อให้ได้สมาธิและปัญญาต่อไปจะได้ไหมคะถึงช้าหน่อยแต่มีโอกาสถึงไหมคะได้ถ้าปฏิบตัติไม่ว่าจะเป็นค า, า, ารวะแล้วเป็นพระก็ได้เหมือนกันขอให้ได้ปฏิบัติเท่านั้นนะเพียงแต่ว่าเป็นพระนี่มันโอกาสได้ปฏิบัติมันเยอะกว่าเพราะพระไม่ต้องไปทํางานหาเงินหาทองแต่ถ้าเป็นค า, า, ารวะมันมันต้องมีภาระเกี่ยวข้องกับคนยกเว้นเป็นค า, า, ารวะที่รวยที่ไม่ต้องทํางาน อยู่แบบพระได้อยู่คนเดียวได้เช่าคอนโดอยู่แล้วก็ปฏิบัติอยู่ในคอนโดไปี้ก็มีโอกาสหลุดพ้นได้แต่ก็ยังยากเพราะอยู่คอนโดมันก็สบายเดี๋ยวมันก็ขี้เกียจเดินสักพักก็เมื่อยแต่ถ้าไปอยู่ในป่านี่มันมันอาจจะท่าท า, ทายกว่ามันทำให้ต้องขยันมากกว่าแต่บางทีมันก็ลำบากเพราะกาลาวัตรส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิง่ง พอไปบวชไม่ได้ก็เลยเป็นผู้หญิงก็เลยอยู่บ้านปฏิบัติกันก็อาจจะต้องต้องหาอะไรที่มากระตุ้นความเพียรให้ได้แล้วต้องทำข้อสอบด้วยต้องไปเจอที่เสี่ยงตายเพราะการจะไปนี่ผานนี้ต้องยอมตายการจะยอมตายได้ก็ต้องไปเจอที่มันเสี่ยงเสี่ยงตายพอเจอความตายมันถึงจะยอมตายกันคนเราถ้ามันไม่เจอความตายมันไม่ยอมเหรอใช่ไหยเห็นหอตอนนี้บอกให้ตายไม่ยอมกันเ่ะ แต่ถ้าครื่องบินจะตกนี่บางทีต้องยอมตายแล้ว่ะถ้ามันไม่ยอมตายมันทรมานใจพอมันยอมตายแล้วมันจะไม่ทรมานอ่าหมดแล้วเหรอหมดแล้วเจ้าค่ ะ, ะเดี๋ยวจ้าค่ะขอโอกาสค่ะจากคุณศักดิ์สิทธิ์ค่ะถ้าเราทําบุญให้กับแม่แล้วแม่จะได้รับตอนไหนครับพระอาจารย์อ๋อถ้าตอนนี้แม่อยู่ก็ไม่ต้องทํา เอาเงินไปให้แม่เลยเอาเงินที่จะทำบุญไปให้แม่เลยอันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทำบุญกับแม่แล้วจะทำให้กับแม่ได้ก็ตอนที่แม่ตายไปแล้วเพราะทำอย่างนี้ไม่ได้แล้วตอนที่อยู่ก็ให้เงินแม่ได้ตอนที่ตายก็ต้องให้บุญแม่แทนเพราะตอนที่แม่ตายแม่ใช้เงินไม่ได้แล้วแม่ต้องใช้ใช้บุญเหมือนกับเวลาเราอยู่เมืองไทยเราก็ใช้เงินบาทพอเราไปอยู่อยู่ญี่ปุ่นเราเงินบาทไปใช้ไม่ได้แล้ว เวลาเราไปอยู่ญี่ปุ่นเขาก็ต้องส่งเงินญี่ปุ่นมาให้เราเราถึงจะใช้ได้สมจนว่าเราไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วกระเป๋าหายเงินหมดเนี่ยแล้วก็โทรมาที่บ้านบอกแม<า>่ช่วยส่งเงินแม่ผมหน่อยอส่งเงินเย็นนะเงินบาทจะส่งมาเข้าใจไหม เ, เวลาคนตายก็ต้องส่งบุญไปบุญเป็นเงินที่เราไปใช้ในโลกทิพกันเห็นถ้าแม่ยังอยู่ก็ให้เงินแม่เลยถ้าแม่ตายก็เอาเงินที่จะให้แม่นี่ไปทําบุญเปลี่ยนเป็นบุญ เราจะได้ส่งไปให้แม่ได้คําถามจากคุณกิติมาหลานสาวนั่งสมาธิและทุกครั้งก็จะอุทิศให้มารดาบิดาในทุกภพทุกชาติมีครั้งหนึ่งมีผู้ชายเดินมาขอบใจว่าได้รับบุญกุศลที่ส่งไปให้และบอกว่าเคยเป็นพ่อมาชาตินึงเป็นไปได้ใช่ไหมคะและเขายังไม่ได้มาเกิดอีกหรือคะถ้าเป็นเช่นนี้ก็เป็นได้ทั้งสองอย่างเราคิดไปเองก็ได้ เพอเจอเพ้อฝันไปคิดไปก็ได้หรือเป็นความจริงก็ได้อันนี้จะรู้จริงหรือไม่จริงต้องพิสูจน์ดูต้องถามเขาว่าถามคำถามที่เขาที่เรารู้เรารู้กับเขาคนอื่นไม่รู้อย่างเงี้ยถามว่าเคยเจ็บกันไม่ตรงไหนบ้างรอเปล่าเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างรอเปล่า อ, อย่างเงี้ยถ้าเขาบอกกับเราได้อย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่ฝันละเราไม่เพ้อเจอ แต่ถ้าเราคิดไปเองแล้วก็คิดได้นอนหลับแล้วก็ฝันว่ามีคนนั้นเขาดีมาอบอกเราว่าเขาได้รับบุญแล้วอันนี้ก็เป็นความคิดของเรานั่นแหละนั้นมันยังไม่มันยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงจะเป็นจริงได้มันต้องคุยกันได้แล้วพิสูจน์ได้ถามได้ว่าถามอะไรในบางสิ่งบางอย่างที่จะได้รู้ว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกันจริงๆคําถามจากคุณทรงวุฒิค่ะ ในมรสการพระคุณเจ้าขอรับเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าเคยเป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิแล้วท่านที่ละจากพุทธภูมิท่านละเพราะเหตุใดหรือเพราะเห็นอันใดขอรับข อ, บ, ขอบคุณครับคือพุทธภูมินี่ผู้ที่มุ่งพุทธภูมินี้จะต้องมุ่งการสร้างเมตตาก่อนจะต้องมีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่ช่วยเหลือผู้อื่นก่อนที่จะช่วยเหลือตอนเอง นเวลาจะทำอะไรถ้าต้องเลือกระหว่างช่วยคนอื่นกับช่วยตัวเองจะช่วยคนอื่นก่อนอันี้ถ้ามัวแต่ช่วยคนอื่นก็เลยไม่มีเวลามาช่วยตัวเองยิ่งมันถ้ามาเจอในยุคที่มีมีทางหลุดพ้นแล้วถ้ายังไปช่วยคนอื่นอยู่ตัวเองก็จะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นได้คนที่มาเจอทางแล้วนี้จะต้องเปลี่ยนเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนจะมัวไปช่วยคนอื่นอยู่เรื่อยๆก็จะไม่มามีเวลามาช่วยตัวเอง อย่างหลวงปู่มาน่นเนี่ยชั้นบวชแรกๆท่านก็ช่วยเหลือคนอื่นเป็นครูเป็นอาจารย์พาคนปฏิบัตินั่งสมาธิแต่ตัวท่านเองยังไม่หลุดพ้นท่านช่วยมาอยู่ครึ่งชีวิตเมอายุ60แล้วท่านยังก็ยังไม่สําเร็จท่านก็เลยคิดว่าไม่ไหวแล้วว่าช่วยเองนี้ไปเรื่อยๆตัวเองไม่มีเวลาปฏิบัติก็เลยเปลี่ยนใจบอกตอนนี้ไม่ช่วยใครแล้วจะช่วยตัวเองท่านก็เลยไปห น, นีไปอยู่ในป่าคนเดียวที่เชียงใหม่อยู่10ปี นั่นแหะท่านไปบรรลุตอนที่อายุหกสิบกว่าไปแล้วแต่พอท่านบรรลุถึงพอท่านอายุเจ็ดสิบก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปนิมนต์ให้ท่านออกมาช่วยมาสั่งสอนคนอื่นตอนนั้นท่านสําเร็จแล้วท่านก็ออกมาช่วยได้แต่ท่านต้องเปลี่ยนใจก่อนเปลี่ยนจากการที่จะช่วยเหลือคนอื่นก่อนช่วยเหลือตัวเองให้มาเป็นช่วยเหลือตัวเองก่อนที่ไปช่วยเหลือคนอื่นอันนี้คือความต่างกันระหว่าง ระหว่างผู้ปรารถนาพุทธภูมิกับผู้ที่ปรารถนาสาวกภระพเพราะว่าผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิช่วงนั้นมันไม่มีทางมันก็เลยไม่รู้จะทำไงก็รู้ว่าช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยเป็นเป็นการสร้างทางก็เลยเอาการเจริญนตาทานนี้เป็นการเป็นหลักของการปฏิบัติไปแต่พอมาเจอทางที่พระเจ้าได้สร้างเสร็จแล้วได้เจอได้คนพบแล้วตอนนี้เราก็ต้องเปลี่ยนจากการช่วยเหลือคนอื่นก่อนมาเป็นการช่วยเหลือเราก่อน ช่วยเหลือเราก่อนแล้วค่อยไปช่วยช่วยเหลือคนอื่นอีกต่อในทีหลังจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะถ้าเราสําเร็จแล้วเราไปสอนคนอื่นนีจะได้ประโยชน์มากกว่าตอนที่เรายังไม่สําเร็จแล้วไปสอนคนอื่นคําถามจากคุณหมูค่ะกลับนมัสการครับบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือบุญประเภทไหนครับการหลุดพ้นนี่ยหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะหลุดพ้นได้ก็ต้องทําบุญตั้งแต่ทานศีลภาวนาไป จะเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เพราะมันเป็นเหมือนขั้นบันไดเหมือนเรียนหนังสือความรู้ที่สูงสุดคืออะไรร ะ, ระดับปริญญาเอกใช่ไหมแล้วจะไปเอาปริญญาเอกโดยไม่เข้าอนุบาลได้หรืเปลก็ต้องไปเข้าอนุบาลก่อนเข้าอนุบาลเข้าปถมมัธยมแล้วก็ไปเข้าปริญญาตรีโทเอกก่อนมั น, นต้องมีขั้นมีตอนอถ้าอยากจะได้หลุดพ้นเป็นบุญนันสูงสุดก็ต้องเริ่มทําบุญทําทานก่อน มีเงินทองอย่ า, าไปเที่ยวอย่าไปกินไปเล่นไปดื่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยเอาไปทำบุญให้หมดแล้วก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ไปฝึกสมาธิไปฝึกปัญญาอันนี้มันต้องทำไปเป็นขั้นเพราะมันสนับสนุนกันคำถามจากคุณพีโกเรียนถามพระอาจารย์บ้านคนรวยอดีตชาติคนในบ้านแต่ละคนทำทานกันมากๆถึงได้เกิดมาอยู่ร่วมกัน อย่างนี้เรียกว่ากรรมเป็นแดนเกิดไหมครับก็เป็นผลของของการทาบุญแต่การทาบุญแล้วร่มรวยนี้ไม่ไม่หมายคำว่าทุกคนที enfin ่ร่ารวยนี Sm ้ร่มรวยจากการทาบุญการร่ารวยมันก็มีหลายหลายทางด้วยกันเกิดมาจนแล้วขยันทามาหากินขยันเรียนหนังสือต่อไปก็รวยได้เห็นดูเศรษฐีปัจจุบันนีเขาก็ไม่ได้เกิดมารวยเขาก็มาจากคนยากคนจน แต่เขาสายมีความขยนันมีความอดทนเขาหาเงินหาทองแล้วเก็บเงินเก็บทองอันนี้ก็เป็นการรวยอีกแบบหนึ่งนั่นมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เกิดมารวยแล้วเกิดมาเป็นลูกของคนรวยนี่จะเป็นเพร่อบุญทั้งนั้นอาจจะเป็นโชคก็ได้อาจจะเป็นจังหวะของชีวิตที่มันได้ไปไปไปไปรวยอย่างนี้ก็ได้จะรู้ว่าเป็นนิสยัยว่าจะรู้ว่าเขารวยเพราะเขาทําบุญมาก็ดู ว, ว่า เวลาเขารวยแล้วเขาทําบุญต่อหรือเปล่าถ้าเขาทาบุญต่อก็แสดงว่าเนี่ยชาติก่อนเขาเคยทําบุญมาเขาเลยทําบุญต่อแต่คนที่รวยแล้วไม่ทําบุญนี่ก็แสดงว่าเขาไม่ได้รวยจากการทําบุญมาคําถามจากคุณวันนาค่ะบางคนไปวัดเหมือนเป็นคนดีและเป็นผู้มีศีลแต่กับญาติพี่น้องจะเอาชนะอย่างเดียวเลยไม่ยอมใครถ้าเราเจอญาติแบบนี้นี่เราต้องทำอย่างไงคะก็ทําใจสิก็ปล่อยเขาไปเี่ย เเรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่งกับเขาคำถามจากคุณก้อยสมาธิคืออะไรแล้วเราจะสามารถฝึกทำสมาธิอย่างไรได้บ้างคะสมาธิคือความนิ่งสงบของใจไม่คิดปรุงแต่งสักแต่ว่ารู้รู้เฉยแต่ไม่คิดอะไรแล้วก็มีความสุขคือทำใจได้นั่นเองคนที่ทำใจได้ก็คือคนที่มีสมาธิคนที่ทำใจยังไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิ การที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติต้องคอยหยุดความคิดให้ได้อย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยให้ใช้พุทโธหยุดเหมือนบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งสมาธิบ่อยๆนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธไปหรือดูลมหายใจเข้าออกไปเดี๋ยวไม่นานใจก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิขึ้นมาตอนนี้หมดคําถามเจ้าค่ะอถ้าใจสงบแล้วก็จะทําใจได้ เห็นอะไรก็จะเฉยได้ใครจะดีจะชั่วก็เรื่องของเขาไม่ไม่เกี่ยวกับเราสัหน่อยเราชอบไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านเขาเองใช่ไหมแล้วก็มาบ่นว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นเขาไม่ดีอย่างนี้ก็เขาไม่ดีอะแล้วจะไปบ่นทําไมล่ะบ่นแล้วมันทําให้เขาดีหรือเปล่ามันเขาก็ไม่ดีอยู่เดิมอแต่เราใจร้อนใจวุ่นวายไม่สงบไม่สบายใจเพราะไปยุ่งกับเขาถ้าเราทําใจได้นะว่านี่เป็นกรรมของสัตว์ไปใคร เกิดมาแล้วก็ต้องเป็นอย่างที่ก็เป็นอย่างนั้นแหละใครทำกรรมมันไดไว้ดีหรือชั่วก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไปเขาเคยไม่ดีมาเขาก็จะไม่ดีต่อไปเขาดีมาเขาก็จะดีต่อไปเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเลยเพียงแต่เราทำใจเฉยๆไปได้พอเขาพูดอะไรไม่ดีทำอะไรไม่ดีหน่อยใจแล้วก็เต้นผางขึ้นมาเป็นเหมือนจิ้งหรีดใช่ไหมจิ้งหรีดนี่ใครเอาอะไรไปเอาขนอะไรไป ไปที่หัวมันหน่อยนยมันก็ร้องกรี๊ดขึ้นมาเหมือนคนบ้าจี้นะไก่ <c ười> ข้าวนิ้วไปจิ้มที่เอวหน่อยก็ร้องขึ้นมาแล้วแสดงว่าใจมันไม่ไม่นิ่งใจไม่สงบใจไม่มีสมาธิทำใจไม่เป็นเห็นต้องฝึกสติทำใจให้นิ่งให้สงบแล้วต่อไปเห็นอะไรจะเฉยได้ยินอะไรจะเฉยไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายหมดแล้วเหรอไม่ยังมั้งยังไห ย, ยังไม่มาเล ย, ยไม่มาเดี๋ยวคุยต่อเดี๋ยวเดิมน้ำก่อนเนื้อใจของพวกเราฝึกได้กันทุกคนใจที่ไม่นิ่งใจที่ทำใจไม่ได้เนี่ยฝึกได้ต่อไปจะเป็นใจนิ่งพระพุทธเจ้า ก, ก็ต้องฝึกไงเมื่อก่อนก่อนที่เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นเหมือนพวกเราท่านก็วุ่นวายกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นคนนี้ แต่พอท่านไปฝึกไปไปทําใจได้แท่านก็ไม่วุ่นวายกับใครฉะั้นใจของพวกเราก็เหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าต่างกันตรงที่ตอนนี้เรายังทําใจไม่ได้ทนั้นเองแต่เราโชคดีตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้ามาสอนวิธีทําใจให้กับเราสอนวิธีทําใจด้วยการทําทําบุญเราอยากจะซื้อกระเป๋าก็ทําใจอย่าซื้อดีกว่าเอาเงินไปทําบุญดีกว่าอันนี้ก็ทําใจอย่างหนึ่งแนละ้วถ้รคิดอย่างนี้ ต่อไปเราก็จะทำใจได้เวลาจะไปฆ่าใครก็ทำใจอย่าไปฆ่าเขาเลยเดี๋ยวต้องไปติดคุกติดตารางไปด่าเขาเดี๋ยวก็เขาก็กลับมาด่าเราหัดทาใจดีกว่าเฉยๆดีกว่าแล้วจะไม่มีเรื่องมีราวกับใครอันนี้ก็คือวิธีทำใจทําทานรักษาศีลแล้วก็ไปอยู่คนเดียวทำใจไปอยู่คนเดียว แล้วก็ไปทาใจให้สงบอย่าคิดพุทโธพูดโธไปแล้วจิตสงบแล้วทีนี้ก็จะใจมันก็จะเฉยได้โดยที่ไม่ต้องทําใจมันจะเฉยโดยอัตโนมัติเห็นอะไรมันก็จะเฉยมันก็จะไม่เดือดร้อนมันไม่ต้องทําใจเพราะมันทําได้แล้วอาจารย์ครับค ว, ความสงบจากสมาธินี่มันอยู่ในกฎของไตายรักด้วยไหมครับก็ยังตายรักอยู่เพราะออกจากสมาธิมันก็หายได้อ๋อถ้า ถ้าเป็นความเหมือนต้องเป็นความสงบจากความจริงใช่ไหมครับที่ความสงบจากการไม่มีกิเลสมันถึงจะเป็นความสงบที่ที่ถาวรอไม่มีโลคโกรธเราไม่มีความอยากแล้วมันก็จะสงบอย่างถาวรคือว่าเราเราก็เหมือนแบบว่าเราก็ไม่ต้องบิ้วบิ้วว่าลมให้ให้ไปอยู่ในในจุดความสงบก็คือว่าไม่ต้องทำอะไรนะพระพุทธเจ้าภาษาวกนี้ท่านไม่ต้องปฏิบัติทำนะพอท่านเอากิเลสออกจากใจได้หมดแล้วไม่มีความอยากความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ใจก็จะสงบโดยอัตโนมัติ เป็นเป็นเหมือนเป็นประมาณว่าเป็นอุเบกขาตอนลืมตาตื่นเวลาใช้ชีวิตนี้แหละมันเป็นตลอดเวลาถ้าไม่มีกิเลสถ้าไม่มีความโลภความอยากความหลงก็คือคือ อ, อารมณ์ทุกอย่างเหตุการณ์ก็คือว่าอาจจะผ่านเข้ามาเหมือนเดิมแต่ว่าใจเราไม่ไม่เล่นแล้วไ ม, ไม่ไม่เป็นผู้เล่นเหมือนแบบว่าเป็นเป็นผู้ดูเหมือนอ น, น้ำบนบนหยดน้นนํำบนใบบัวไงมันไม่ดูดซึมมันอุเบกขา ใ, ในในสมาธิอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ามันดูดมันไม่ดูดซึมกันละ ใครพูดอะไรมันก็ไม่เอามาคิดให้เหนื่อยคิดก็ปล่อยก็คิดไปคิดปุ๊บมันก็ผ่านไปแล้วเสียงก็ด่าปุ๊บมันก็หายไปแล้วแต่เราไปดึงกลับมาเองแต่ใจที่ไม่มีกิเลสก็จะไม่ดึงกลับมาเป็นเป็นเหมือนแบบว่าเป็นความสงบด้วยความรู้ไม่ไม่ใช่ความสงบด้วยการหุ่นอารมณ์ให้ให้อิว่ใ่ใช่ความสงบด้วยการกําจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอยาก ถ้ายังมีอยู่ก็ต้องคอยกําจัดมันไปนิดนึงก็เหมือนถ้าถ้ายังเป็นความสงบในสมาธินี่ยังไงก็ต้องเสร็จอยู่ในกดของไตรลักษณ์อยู่ดีก็ต้องวกไปวกมาอยู่ก็ต้องเข้าไปเรื่อยๆไงเหมือนแช่น้ํำแช่น้ําในตู้เย็นพอเอามาจากตู้เย็นมันก็หายเย็นก็อยากให้มันเย็นใหม่ก็ต้องเอาเข้าไปแช่ใหม่แต่ถ้าเป็นเป็นความทุกข์จากปัญญานี่คือว่าก็ไม่ต้องแช่แล้วก็แล้วก็เรียนรู้หาช่องออกของวิธีคิดอย่างเงี้ยครับก็คิดความอยากให้หยุดความอยากต่างๆให้หมดไปครับ ถ้าไม่มีความอยากเอาใจมันก็จะสงบโดยอัตโนมัติคำถามจากยมโจ้ค่ะขอธรรมะสาหรับคนมีคู่ครองด้วยครับควรทำตัวอย่างไรครับคนมีคู่ครองก็ต้องมีธรรมะสี่ข้อข้อที่หนึ่งก็คือจาคะเสียสละเอาอกเอาใจกันอย่าเอาใจตัวเองการเสียสละก็คือการเอาอกเอาใจเขาเขา อ, อยากจะได้อะไรก็ให้เขางี้เรียกว่า จากะบริจากแบ่งปันอย่าเอาแต่ใจเราต้องเอาใจเขาด้วยเวลาพบกันบ่ายบ่ายนี่รักกันเกินกินอะไรเอาใจกันแล้วเกินข้อที่หนึ่งเอาใจกันเกรงใจกันเนี่ยเวลารู้จักกันบหมา่าโอ้เกรงใจไม่กล้าพูดอะไรไม่กล้าทำอะไรข้อที่หนึ่งให้มีจากะเอาหัวใจกันข้อที่สองให้มีสัจจะ ความซื่อสัตย์ต่อกันอย่ากโกหกหลอกลวงกันให้เชื่อถือกันได้ว่าพูดใดก็ต้องเปิดคำนั้นไปไปทำงานก็ไปทํางานไม่ใช่ไปทําไปเที่ยวแล้วก็บอกไปทาาํางานนี่ไม่ได้น ะ, ะข้อที่สองก็ต้องมีสัจจะข้อที่สามก็ต้องมีความอดกัน้นเวลาโกรธก็ต้องพุโทโธพูดโธอย่าปล่อยออกมา เวลาโกรธก็อย่าพูดคำหยาบอย่าระบายคําที่ไม่ดีออกมาเรียกว่าอดกั้นนะข้อที่สี่ก็อดทนเวลาอยู่ด้วยกันมันก็บางทีก็มันก็ทุกข์บ้างเงินทองอาจจะขาดแคลนบ้างอาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆก็ช่วยกันแก้ไขกันไปอย่าอย่าอย่าเยาะอย่าอย่าทิ้งกันอะไรทํานองนี้อดทนสู้กันต่อไปวิธีที่จะพิสูจน์ว่าคนมี ธรรมะเหล่านี้หรือเปล่าก็ให้ไปขึ้นภูกระดึงด้วยกัน <c oughs> นะ <c oughs> คือต้องเจอความทุกข์ยากลำบากแล้วจะได้ดูดูว่าอดทนหรือเปล่าอดกั้นหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่เดินไปทพัพพาก็บบนแล้วเท่านี้ไม่ น, าน่าชวนฉันมาเลย <c oughs> นะถ้าจะอยู่ด้วยกันรักกันไปจนวันตายก็ให้มีธรรมะสี่ข้อนี้มี จาระการเสียสล ะ, ะมีสัจจะความซื่อสัตย์ต่อกันมีความอดกลั้นแล้วก็มีความอดทนวนหรือยังอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้าย่ะข้อสุดท้ายอาจารย์คะมีคนถามว่าเดินจงกรมคืออะไรกับอีกคนหนึ่งคนลักนอกใจค่ะเอาคำถามไหนคะเ ด, ดินจงกร ม, ก, มการเดินจงกรมคืออะไรครับ อ้าวก็เวลาเดินจงกรมก็เหมือนกับ น, นั่งสมาธิไงเปลี่ย น, นแต่ว่าเปลี่ยนจากท่านั่งมาเป็นท่าเดินเรานั่งสมาธิเราก็พุโทโธอยู่เราเดินจงกรมเราก็พุโทโธเพราะบางทีเรานั่งตลอดเวลาไม่ได้นั่งแล้วร่างกายมันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเอรียบทเราก็ลุกขึ้นมาเดินแทนแต่ใจเราก็ยังทํางานเหมือนเดินอยู่ใจก็เรายังสร้างสติต่อไปพุโทโธพุทโธต่อไปอ่าอีกข้อนึ่ะแถมมาค่ะ ของคุณพิชาค่ะคนรักนอกใจและไม่ยอมหยุดการกระทําเราต้องทําอย่างไรคะกับเรียนถามค่ะก็ทําใจไงยอมรับความจริง <links. S 2> เขาเป็นอย่างนี้เราจะไปทําอะไรเขาก็ไม่ได้ไปบอกให้เขาไม่นอกใจก็ไม่ได้แล้วก็นอกใจก็บอยก็นอกใจไปถ้าเรายังอยู่กับเขาได้ก็อยู่ไปถ้าอยู่ไม่ได้ก็แย ก, กทางกันไปก็เท่านั้นเองถ้าเรามีจาคึกก็อยู่กับเขาได้ก็ถือว่าเป็นการบอยจากไง เขาอยากจะมีความสุขจากการไปนอนกับคนอื่นก็ให้เขาไปนอนบ้างแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมาหาเราเองแหละเดี๋ยวเขาเบื่อเขาก็ไม่รู้จะไปไหนเขากลับมาหาเราอยู่ถ้าอย่างนี้ก็อยู่ต่อต่อไปได้แต่ถ้าไม่เอาใจเขาเลยจะให้เขาทําตามที่เราต้องการเปี้ยงองีกถ้าแม่เขานอกใจพอเขาไปนอกใจเราก็ไม่ยอมก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ ขอโอกาสอาจารย์แถมอีกข้อนึงเจ้าค่ะการเรียนพระอาจารย์จริงเหรอคะพระโมคคัลามีอิทธิฤทธิ์เหาะเหินเดินอากาศได้ช่วยให้ความกระจ่างด้วยเจ้าค่ะสาธุก็ในคำพีท่านว่าอย่างนั้นพระโมคคัลล่านะท่านมีมีความสามารถพิเศษเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ